ก็เกิดความรู้แล้วนําความรู้มาสอนทีนี้ความรู้ทั้งหมดที่ถูกนามาสอนเนี่ยมันผูกวางไว้อยู่ในรูปแบบของการศึกษารเราเรียน <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> เมื่อผูกวางไว้เป็นแบบแบบแบบทีนี้คนเรียนตามแบบเนี่ยไม่รู้จักความเชื่อมโยงของหลักคําสอนเพื่อนํามาสู่การปฏิบัติจึงปฏิบัติไม่ถูกหรือพูดได้ไงว่าไม่รวมความรู้ให้มาเป็นหนึ่ง ไม่สามารถทําความรู้ให้เป็นหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อที่จะปฏิบัติเมื่อเขาสามารถเรียนรู้หรือปริยัตปริยัตเนี่ยจะส่งผลที่เป็นปริยัตในตัวข้อมันคือความรู้ที่เป็นหนึ่งแล้วนั่นคือผลของปริยัติแล้วความรู้ที่เป็นหนึ่งนี่แหละคือการปฏิบัติเขาแยกย่อยปริยัตปฏิบัติจึงอยู่ด้วยกันไม่ไม่สามารถแยกกันและก็เกิดเป็นปฏิเวทในตัวข้อมันเอง แต่นี้เราเรียนเราเรียนปริยัตรเรารู้ในตำราทรงจำได้อ่ารู้ว่ามาจากสูตรไหนเนื้อความว่าอย่างไรอยู่หน้าไหนเนีย่ยเราเราเราเรียนรู้ได้พ่อทําว่ายัางไงนชไแต่เราไม่ได้เกิดความรู้ที่เป็นความรู้เข้าใจไหมรเราไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้ที่เป็นความรู้เราเรียนจบมาจําได้เสร็จ okay. การที่จะเกิดความรู้แล้วเป็นความรู้คือความสําเร็จทางด้านปริยัตจริงต้องเกิดความรู้เขาเรียกองค์ความรู้ที่เกิดกับจิตที่ติดอยู่กับจิตไม่ใช่เป็นเรื่องของความทรงจําอันนมันต้องร่วงการ่วงไปจากความถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องของการจําได้ว่าสูตรนี้บรรทึกนี้ถ้าจะเอาเรื่องการเรียนปริยัตการทรงจํามาพูดมาตมาเนี่ยทรงจําเลอะเรือนเลยนะ แต่แตมามีความรู้ไหมความรู้แต่มามีแต่ความทรงจําในหลักองค์ธรรมบางข้ออาต่มายังลืมเลยมันมีห้าข้อมันมีจได้สี่มันมีเจ็ดจำได้หกอย่างนี้ก็มีมันอันนั้นคือการทรงจําใช่ไหมละ่ะแต่ความรู้เนี่ยมันไม่ใช่การทรงจํามันคือความรู้มันเป็นความที่ไม่หลงลืมตัวตัวสภาวธรรมที่เกิดความรู้แล้วและความรู้เนี่ยคือการปฏิบัติอยู่ในตัวเขามันเองแต่แล้วถ้ามันล่วงก้าวล่วงจากไอ้ความจําเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติกันเลยถูกต้อง มันเลยแล้วทำยังไงเพื่จะเกิดความรู้นี้ได้ก็ปริยัตินั่นแหละมาพิจารณาแต่ละแต่อันกนันอันเพื่อให้เราได้เห็นเห็นสิ่งที่โบทรงชี้เห็นเหมือนกับประามาเคยเคยยกประเด็นขึ้นมาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมบรรดาคำสอนที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนี้นะไม่ใช่สัจธรรมบงคก็บอกงงไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมได้ไงพระอาจารย์ มันเป็นสัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมแล้วแล้วเราเรียนอะไรกันไ่ะ อ, อาตามบอกไม่ใช่สัจธรรมตอนนี้เราไม่เลยเกิดการปริยัตแบบปริยัตคือไม่เกิดความรู้คําสอนของเจ้าเป็นคําสอนที่ชี้ให้เราได้เห็นความจริงให้เห็นสัจจ์เหมือนกับมือที่ชี้มือที่ชี้มาที่กระติกน้ําเนี่ยมือที่ชี้กับกระติกน้ําอันไหนคือกระติกน้ําสมมติว่าดูทิพดใูให้เห็นกระติกน้ํา มือมือที่ชี้เป็นกติกน้ําหรือกติกน้ํานี่เป็นกระติกน้ํามือนี้เป็นอะไรมือเป็นผู้ชี้เป็นผู้ชี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพลทรงตัดสอนทั้งหมดเป็นเพียงแค่เครื่องชี้ให้เห็นแต่ที่นี้เราไม่ได้ไปเห็นตรงที่โพลทรงชี้ให้เห็นเรามาเห็นที่มือแล้วเรายึดที่มือมันเลยเป็นปริยัติแบบปริยัติแต่เมื่อบุคคลใดก็ตามที่อ่านคำศึกษาคําสอนจนเกิดความรู้เห็นในสิ่งที่พรโพลทรงชี้ให้เห็นแล้วสัจธรรมมันอยู่ตรงนี้ เข้าใจไหมภาษายังคำพูดหรือสิ่งที่เครื่องชี้มันก็คือเครื่องสื่อสารอันหนึ่งที่สื่อให้เราไปเห็นเพราะฉะนั้นมือที่ชี้สําคัญไหมสําคัญแต่สิ่งที่เป็นสัจจคือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เห็นนั่นคือเจตนาของพระเจ้าเจตนาของพระเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ตรงให้เราเห็นนี่ <c oughs> เห็นสิ่งนี้เราไม่ได้มาเห็นสิ่งนี้แต่เราไม่เห็นเรา ไ, ไปเห็นนิ้วเราเราไปยึอดอยู่กับตัวชี้เนี่ มันเลยเกิดปัญหาที่ในในในสังคมเราเนี่ยนะที่เป็นปริยัติแบบปริยัติอยู่อย่างเงี้ยดยปริยัติีนด้านความทรงจําไม่เคยก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเลยพอเขาเห็นความจริงปับ๊บมันก้าวเข้าสู่ปฏิบัติเองมันเป็นการปฏิบัติในตัวของเขาเองอัตโนมัติอาจารย์อย่างเงี้ยนนคนที่มีความจำดีเลิศเนี่ยมีความจำํำถึงยอดเยี่ยมเนี่ยเขาจำคำสอนมากมันจะเป็นปฏิบัติเล ย, ยได้ไหมไม่ได้มันกนนน็ยังค <c oughs> งเป็นความจำอยู่มันก็ยังเป็นความจํำ จะจดจํำบทสวดมนต์ได้ร้อยบทและสามารถสวดทยายห้องเคล่วข้องปาขึ้นใจก็ตราบใดยังไม่เห็นในสิ่งที่โบทรงชี้ให้เห็นก็ยังเป็นแค่ความจำก็ยังเป็นแค่ความจำยังไม่ใช่สาระเกี่นสารอาจารย์ยังนี้ได้ไหมรู้จดรู้จาแต่ไม่รูกแจ้งได้ไหมจริงจริงมันต้องเกี่ยวโยงกันน้อจะหมายว่าก็อย่างนั่นปริญญาต้องปฏิบัติต้องคู่กันก็เมื่อชี้ให้เห็นแล้วไปเห็นมันก็ต้องโยงตามมาอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือชี้ปั๊บเนี่ยเราองมาจับตรงเนี้ยเราไม่ไม่ไปดูในสีที่องค์ทรงให้เห็น เ, น, เนี่ยแต่ยังแต่แต่ แ, แต่เองก็พูดแ บ, บเออก็อมองเห็นก็ก็ดูตามที่พระทีเจ้าทรงชี้ไว้อยู่เขาก็พูดอย่างนั้นอยู่เนี่ยว่าเขาก็รู้อยู่พระเจ้าชี้แบบนี้แต่เขาก็ดูตรงมือแต่เขาก็บอกเขาดูตรงทุน น, <c oughs> นั่นแหะเนี่ยนะมันก็คือมันก็คือเรื่องที่ผิดประเด็นอ่ะผิดเนาะผิดประเด็น ปฏิบัติไม่ไ ป, ปฏิบัติไม่ใช่เป็นไปทําวิธีการปฏิบัติขึ้นมาไม่ใช่นะเ<อ>มื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจปริยัตแล้วนั่นแหละคือการปฏิบัติเข้าใจแบบทองแท้ถูกเข้าใจดับเข้าไปในถึงถึงจิตสมมติอ่าเราเราพูดถึงเรื่องศีลคนไม่เข้าใจศีลกันกันเยอะมากเลยนะในเวลานี้ที่ทวตามาเคยพูดไว้ในเพจเนียเกี่ยวกับศีลเนี่ยศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาได้ไหมบางคนบอกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันเลย เขาบอกไม่ได้ยังไงเราพวงทรงตัดไปว่าต้องศีลบริสุทธิ์ก่อนอยิ่งทํากรรมฐานอะไรแบนี้เนี่ยมันเนี่ยตี ต, ต, ตีความหมายของพุทธอไม่ออกคือศีลที่พวงทรงชี้ให้เห็นแล้วไม่ไปเห็นมายึดอยู่ที่ดุกมือเนี่ยเนี่ยคือปัญหาปัญหามากอย่างมากเลยแล้วบริสุทธิ์เราจะยึดตรงไหนศีลบริสุทธิ์มันไม่มีที่ยึดใช่ไหมบริสุทธิ์ตรงที่ความเป็นโสด า, าบารับใดที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นโสดาบัรบริสุทธิ์จะไม่ได้ เมื่อยังบริสุทธิ์ไม่ได้แสดงว่าบุตรชนจะต้องมีผิดบ้างสมาทานบ้างเดี๋ยวก็ผิดบ้างสมาทานบ้างผิดบ้างสมาทานบ้างไปอย่างนี้เรื่อยๆอาศัยการผิดบ้างสมาทานบ้างผิดบ้างสมาทานบ้างแล้วในขณะนั้นก็จเจริญภาวนาไปด้วยสติประฐาน4ีก็ว่ากันไปจนกว่าจะไปกระทั่งพิพาให้แจ้งเขาจะบริสุทธิ์ในชั้นของโสดาบันเพราะฉะนั้นคำว่าบริสุทธิ์จึงยังใช้การไปได้ขณะที่เป็นบุตุชนนะแต่บริสุทธิ์ในขณะที่เจตนาได้ไหม ได้เห็นไหมก็บริสุทธิ์ก็วัดกันตรงอยู่เนี่ยตรงที่เจตนาที่จังก้อเว้นนั่นแต่อันที่ไปทําผิดนั่นก็ล่วงเลยจากที่เขาเจตนาแล้วก็เป็นเรื่องของความผิดไปไม่เกี่ยวกับการที่เขาถือศีลเพราะเขางดเว้นแปดข้ามกับสิบห้าข้ามอย่างเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ย่างศีลก็มันเป็นเป็นระยะระยะมันไม่ใช่ติดต่อกันเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันต้องศืลศีลศีลนี้ก็แบไป คนแยกขาวมาสีขาวบมดกับสีไม่ออกมันเกิดทุกข์ขนาดสีใขนาดสีเอาใช่ไหมสีถ้ายังแยกสีขาวหมดกับสีไม่ออกอก็จะเมารวมเป็นอันเดียวกันพระเจ้าบอกว่าสีห้าข้อเนี่ยรักษาข้อหนึ่งข้อเดียวก็เป็นผู้ชื่อชื่อว่าเป็นผู้มีสีอีกสีข้อไม่ได้รักษายังเป็นผู้มีสียอยู่แล้วยึดสีข้อเดียวเนี่ยไปจนถึงวันตายก็ไม่ไปสู่ทุกขติใช ไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดเลยใช่ไม่จำเป็นสาคัญเพราะอะไรร <ขอ S 1> ู้ไหมทำไมพระเจ้าทรงตัดอย่างนี้ทำไมถึงไม่ไอายทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงทราบวิถีชีวิตของมนุษย์ตามความเป็นจริงพระองค์จะไม่สอนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พระองค์จะสอนในสิ่งที่เป็นไปได้และทําได้แล้วเข้ากับวิถีชีวิตของคนหาพระองค์ทรงบัญญัติว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักษาห้ามมุขเดรัจงห้ามโกหกห้ามดูดชุลา ถ้าตัดสอนห้ามนี้ปั๊บเนี่ยวิถีชีวิตจริงของมนุษย์ทำได้ไหมมีแค่หนึ่คงมีน้อยไม่เอาจริงๆเลยโดยส่วนมากเนี่ยมีชีิตจริงๆเยขของเลยถ้าท่านทาที่อย่างนี้มันทไม่ได้ถูกต้องมันไม่ได้ผู้ทีเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติสินที่สิกขาบทห้าประการแต่โบบัญญัติสินไว้ที่เจตนา ใช่เจตานาเป็นตัวศีลไม่ใช่สีขาบทห้าเป็นตัวศีลคนแยกตัวนี้ไม่ออกคนไปเอาสีขาบทห้าคือศีลไม่ได้บอกว่าเจตานาคือตัวศีลตรงเนี้ยเพราะ น, นั้นจิตที่งดเว้นเมื่อไหร่เป็นศีลเมื่อ น, นั้ น, นคิดที่จะไม่ทําคิดที่จะไม่ฆ่าคิดที่จะไม่ลักคิดที่จะไม่ประพฤติผิดคิดที่จะไม่โกหกคิดที่จะไม่ดื่มสุรา เจตนางดเป็นอย่างแรงกล้าที่จะไม่กระทําศีลจะคุ้มครองเขาเองแม่เขาจะเคยละเมิดโทษมาก่อนก็ตามแต่ศีลจะคุ้มครองเขาไม่เขาไปได้ละโทษอาจาย์ยังสมมติว่ามันมีสัตว์แล้วคนคิดจะฆ่ากับไม่มีแลือเ ม, มีแต่แต่จะฆ่าเนี้ยให้เด็กๆท่านอธิษฐานในดีละง <laughs> งไป <laughs> ไอ้เนี่ยเอาเจะคนจะฆ่าสัตว์เนี่ย กับที่ตั้งใจจะไปฆ่าแล้วก็งดเว้นงานนี้คือการเกิดสินขึ้นมาละเพราะมันเกิดจากการงดเว้นจะไปฆ่าแล้วต้ไปฆ่าเ อ, อจะไปฆ่าเขาเนี่ยฆ่าตะ้งให้ตายแต่เปลี่ยนใจไม่เอาไม่ฆ่ามันจะเป็นบาปก็ไม่ฆ่าตคนที่สินเกิดขึ้นทันทีแต่กี่คนเห็นถ้าเฉยเฉยคือไม่ไม่ฆ่าหรอกแต่ไม่ได้คิดทําสินอะไรมองดูเขาเฉยเฉยไม่ฆ่าไม่อะไรเฉยเฉยเนี่ยอะไนสินหรือเปล่าคนที่งดเว้นจึงจะเป็นสีน งดเว้นใช่คนที่ไม่มีเจตนางดเว้นแม้เขาจะไม่ฆ่าก็ไม่เป็นผู้ถือศีลเขไม่ใช่ชือว่าเป็นศีลไม่ได้มีศีลแต่เขาทํากรรมดีได้ชื่อว่าเป็นผู้ทํากรรมดีแค่ผู้ทำกรรมเลใช่เมื่อเขาทํากรรมดีเขาก็ได้รับผลกรรมที่ดีแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องศีลแต่เขาก็ได้เลยศีลก็ไม่ได้แค่ทำเพราะกรรมดีศีลเกิดจากเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะงดเว้นแม้ไม่ไม่อยู่ในวิถีของการฆ่าก็ตาม แต่ต้องมีเจตนาที่จะงดเว้นอยากแรงกล้าภายในถึงจะเป็นสีโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าคนส่วนใหญ่เขาจะติดลูกคนส่วนใหญ่จะไม่มีสี <c oughs> ก็นี่ไงก็เราเรียนปริยัตแบบปริยัตกันเลยปฏิบัติกันไม่ถูกไม่ถูกตัวตีนเราว่าเราไม่เคยสร้งสสางเเนี่ย ก, ก็ก็ไม่ตั้งเจตนาอยู่แล้วไปรับกับภ<ส><พ>าคนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาของเราเองไปรับแต่กับภาค คนส่วนใหญเลยนะคนส่วนใหญ่เลยพอถ้าเราสามารถรู้จักว่าเราสามารถตั้งเจตนาขึ้นมาในจิตแล้วงดเว้นแล้วเกิดเป็นศีลรู้ว่าศีลเกิดจากเจตนาของเราแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปรับกับพระเลยไม่ต้องเป็นศานก็ได้ถ้าเราไปรับกับพระแสดงว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะรักษาไม่ได้เจตนาที่จะงดเว้นพระเอาให้ก็รับรับมาพอให้แล้วแล้วพอออกจากวัดไปเป็นไงล่ะเป็นสุราดิโตเมินไป ถ้าเราโตไปก่อนดีไหมเขาถ้าอาจารถ้าไม่ได้มาเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเวลาสมาทานที่พระพร ะ, พะแต่แต่การที่เขาทํากรรมดีเนะ่ยดีไหมดีก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่จะเอาศีลจริงจริงเนี่ยอยู่ที่ตัวเจตน า, านี้เวลาที่พระให้ศีลอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะสมมติว่าเรารับมาห้าข้อถึงห้าออกมามันก็ทำผิด การที่ไปรับศีลมาแล้วแล้วมาทําผิดศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธทำไม่สม่ําเสมอในศีลห้าเนี่ยคําว่าประพฤติรำไม่สม่ําเสมอคือศีลธรทำห้าประการเนี่ยไปรับมาตกปากรับคํากับพระว่าจะรับรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่ไม่ยอมรักษาชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติทำไม่สม่ําเสมอบุคคลผู้ประพฤติทำไม่สม่ําเสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่า เที่ยงแค่ที่จะไปสู่อบัยภูมิไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองเล่มท ARE> ี่ส er le ิบสัาสจัดมาสีกาวเรื่องนี้เลยนะเรื่องที่ไปรับศีลมาแล้วไม่ยอมปฏิบัติเพราะฉะนั้นศีลไม่ใช่ไปรับมาจากที่ไหนเรียนรู้เรื่องของศีลห้าแล้วมีอะไรพร้อมที่จะงดเว้นกลงดเว้นเข้าใจไหมถ้าไม่พร้อมที่จะงดเว้นอย่าไปตั้งเจตนางดเว้น มันพระอาจารย์เนี่ยสมมุติได้อย่างพระนี่ฮะก็โดยปริยายเลยว่าต้องมีเจตนาถึงว่า227ข้อนะฮะแล้วอย่างเนี้ยสตรวิการเนี้ยคือแบบนี้ใช่ไหว่าท่านก็ต้องจะศีรีนี่เป็นความดีอยู่แล้วจะเจตนากดเว้นเท่าไหร่ก็งนี้ยคือเรื่องถิ่นนั่นคือพอท่านไดสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นตัวเด็กวันแรกที่ใช่ศีรก็คือเขาก็คือจะต้อง ้วระวังสีน10ข้อเลยนะอย่างพระก็ต้องระวังั327ข้อถ้าผิดพระเป็นสีนไม่เหมือนโยมเนี่ยโยมนี้ต้องตั้งจิตใช่ไหมคะเพราะเรายัางไม่ได้บวชนี่ยังไม่ได้เป็นกัลใช่ปะเหมือนกันคล้ายกันฮะคล้ายกันอ๋อคล้ายกันก น, นั้นเป็นพระก<ม>็ต้องมาเจตนาโยมก็มีสีเหมือนกันกับพระเป็นศีตัวเดียวกันไม่ใช่คือสตัวเดียวกันแต่ว่าหมายว่าเขาว่าเจตนาไะเจตนาคือตั้งจิตปฏิฐานใช่ไหมอย่างโยมนี่ยังไม่ได้ตั้งใช่ไหม องนี้เขาประวดเนี่ยเขาตั้งคิดว่าเขาต้องถึงศีลสิมาะใครอะไรนี่ถ้าเขาผิดปั๊บเขาก็จะต้องผิดเลยแต่ยังเราเนี่ยเรายังไม่ได้ปฏิญาณไงเรื่องพระนี่ก็คือความด่วนเป็นตัแรกเนี่ยปฏิบายนี้เป็นปฏิญาณเป็นบริญาปฏิญาณไปอีกนะมีคำถามยอมยมเนี่ยมีเจตนางดเว้นจึงจะเป็นศีลอาตมามีเจตนาลดเว้นก็เป็นศีลมีศีลตัวเดียวกัน แต่ข้อปฏิบัติแตกต่างกันใครปฏิบัติได้มากก็อาํานวยผลมากตามการที่ตนเองรักษาได้ข้อปฏิบัตินะบูธง่ายๆว่าเราแวดเราวังไม่ให้ตนเองละเมิดโทดไอ้สองรอยิบเจ็ดนี่คือโทษนะห้าเนี่ยห้าสี่ข้าวบดห้าคือรับโทษห้าประการชาวบ้านมีโทษน้อยที่สุดคือห้าประการผู้ถือศีลบริสุทมีโทษแปดประการผู้ถือศีลสิบมีโทษ สิประการผู้ถือสีขาวบทส้อย27มีโทษ227ประการผู้ถือสีขาวบทสาร้อยสิบเดมีโทษสามรอสิบอ็ดประกา ร, ร, การไม่ใช่มีศีลมากกว่ากันศีลเท่ากันศีลเท่ากันแต่ข้อปฏิบัติที่จะนําไปสู่โทษ<ม><ม>การที่จะระเมิดโทษ ม, มีมา ก, ม, ม, ากมีน้อยแตกต่างกันพิกษุณีมีโทษมากกว่าพิกษจนพิกษจมีโทษมากกว่าสามเณรสามเณรมีโทษมากกว่าผู้ถือศีลแปดผู้ถือศีลแปดมีโทษมากกว่าชาวบ้าน ชาวบ้านมีโทษมากกว่าคนที่มีถือศีลเลยคนที่นอกศ <คน S 1> าสนาน่ะความยีต่างกันต่างกันสินตนแต่ศีลเดียวกันแต่ศีลเดียวกันนขพยายา ม, ม ต, ต่างกันสมมติว่าชาวบ้านมีโทษหา้าประการเขารักษาศีลได้หนึ่งข้อคือเจตนาของกดเว้นข้อนั้นตลอดชีวิตเลยเช่นไม่ฆ่าสัตว์เขาเกิดมาอีกชาติหนึ่งเขาจะมีอายุยืนนานแต่เรื่องที่เขาไประเบิดในอนาติอาทินาทาน ทรัพย์ที่เขาหามาได้ก็จะถึงความชิบหายไหวบอดไม่ไม่ไม่ไม่สามารถยังความเจริญในชีวิตด้วยทรัพย์ได้ถ้าพูดผิดในกรรมครอบครัวเขก็จะแตกแยกไม่สมหวังในความรักถ้าโกหกไปพูดที่ไหนก็มีใครเชื่อน้ำหนักไม่พอที่จะเชื่อได้ถ้าดื่มสุราสติปัญญาเขก็จะไม่สมประกอบแต่เขามีอายุยืนเพราะเขาหลงมีพ่อเดียวพเจยังเหรือเพราะนั้น หากมีเจตนาลดเว้นแล้วสามารถรักษาได้ห้าข้อเขาก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอายุยืนทรัพย์สมบัติมากมายครอบครัวสมบูรณ์ไปพูดที่ไหนก็น่าเชื่อถือสติปัญญาก็เฉิเดเฉี่ยฉลาดครบห้าข้อได้อดีสมเขาใจยังพิสูจเองก็เหมือนกันมีศีลอันเดียวกันกับชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละแต่โทษยี่สิบสองรยิบเจ็ดนี่ยหากใครป ฏ, ป, ฏปฏิบัติได้เต็มเต็มเปี่ยมก็จะได้อดิสมเต็มเปี่ยมยงไง อันที่สองนั้นนามาซึ่งฌานสมาบัติสมาธิและนําไปสู่อภิญญาแต่ถ้าปฏิบัติได้ไม่คบฌานสมาบัติสมาธิอภิญญาก็ไม่บังเกิดอย่างเงี้ยถามว่าหลุดพ้นได้ไหมหลุดพ้นได้แต่ไม่บังเกิดฌานสมาบัติเพื่ออภิญญาเป็นสุขาพิปัสกโกก็เป็นสุขาพิปัสกโกไปเข้าใจยังเข้าใจยัง นี่คือปฏิยัตปฏิยัติบริยัติแบบปฏิบัตินี่เอาแสุขาก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วสุขาวิปัสสโภก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นมงคลบอกพระต้องถือศีลสองรอยี่เกณฑมันใช่ไหมใช่แต่แต่เราก็เข้าใจคำว่าศีลนะเพราะบางบางองค์บางองค์อ่ะคุณเจ้าบอกไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติในสีกขาบทนะได้อย่างยิ่ง เขายอมได้รับอานิสองส์อย่างยิ่งปฏิบัติอย่างปานกลางได้รับอานิสองส์อย่างปานกลางปฏิบัติแบบหย่อนก็ได้รับอานิสงส์แบบหย่อนแต่เราจะไม่กล่าวถึงความเป็นหมันคือไม่เสียผลในการที่เขารักษาศีลเนี่ยรักษาศีลขาบทปฏิบัติในศีลขาบทเนี่ยเราไม่กล่าวถึงความเป็นหมันว่าเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะหลุดพ้นได้ <c oughs> แต่อานิสงส์ที่จะอํานวยมาในขณะที่หลุดพ้นแตกต่างกันบางคนก็ได้ไม่ได้วิชาสาม บางคนก็ได้วิชาสามบางคนได้พิญญาหบางคนก็ไม่ได้เพราะพื้นฐานของศี่เหมือนกันพื้นฐานของการกดเว้นเนี่ยรักษาเนี่ยใครจะกดเว้นได้เท่าไหร่ก็เท่ากับที่เขากดเว้นได้มันอมเนือยเท่านั้นเขาใจะอย่างเอจะได้ไม่ต้องมาลังเกียจกัน่มึงได้ห้าข้อมึงได้สามข้อมึงได้สองข้อมึงได้หนึ่งข้อก็ศีนเหมือนกันแหละก็ศีเหมือนกันนะแล้วบางคนบอกว่าถ้าอย่าง ถ้าเอาสิกขาบทเป็นตัววัดเรื่องของศีล น, นะงั้นภิกษุณีมีศีลเยวกว่าพระจะทําบุญกับภิกษุณีได้บุญเยอะกว่าเนี่ยไม่จริงฮะค ร, รับคําว่าสิกขานี่มันก็คือสิ่งที่เรต้องศึกษานะครับใช่ เ, เป็นข้อที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ศึกษ า, าเรียรู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปตัดสินใครเร็วใครมิดเร็วใครเร็วใครดีไม่ใช่ให้เราได้รุปได้ดีให้ความยืดหยุ่นทาดี มึงก็ยุติธรรมแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยยุติธรรที่สุดเลยเพราะใครรักษาพ่อไหนก็ได้รับบาริสงตามการรักษาของตนเองไม่ได้เสียหายอะไรตนเองรักษาตัวเองก็ได้ถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องว่ากูมีศีลห้าแล้วมึงมีไม่ครบอะมึงเร็วกวูกูอันเนี้เป็นทิศถีที่เราสร้างขึ้นมาต่างหากดีกว่ามึงเลยทเนี้ยเป็นความหลงผิดเป็นความงงงายไม่ใช่สามารถปฏิปทา าอาจารย์มาจึงบอกเสมอว่าคนเราเน่ะเป็นคนดีไม่ได้หรอกแต่คนเรานทําดีได้ใช่ไหมทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้แต่ต้องยอมรับดีกับชั่วที่เราเองทําที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคนทําดีโดยส่วนเดียวไม่มีะคนทําชั่วด้วยส่วนเดียวก็ไม่มีชั่วจริงๆไม่มีถ้าความชั่วที่ทำนั้นเป็นความเลวซ่าผู้เจ้ากว่คงไม่ ไม่สามารถเอาองคุณีมามาเป็นพระอรหันต์ได้หรอกพระพุทธเจ้าไม่สอนให้สุดโต่งนะใช่ไม่สุดโต่งถูกต้องนี่คือทางสายการที่สุดแล้วเพราะพระพุทธเจ้าทรงสร้างพยาสายจิตมนุษย์เพราะนั้นการไปรับศีลจึงไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องแต่เขาก็ทํากันก็ไม่เป็นไรก็ก็ให้ทํากันไปมันมันอยู่ในแบบของพระที่ไปทัก ทํากิจกรรมทางศาสนาเลยนะคะการให้สินเนะ่ยคู่กันมันก็กลายเปกิจกรรมทางศาสนาไปแล้วคิดพิธีทางศาสนาเช้าไปถวายอาหารถ้าก็จะต้องมีมีสีงานศพงานศพก็จะงานศพให้สีนอย่างน้อยสามรอบอย่างน้อยนะงานบุญงานถวายอาหารก็หนึ่งรอบนึงถวายจะถูปัจจัยก็รับสีนรอบนึงทําจะทําอะไรอีกจะเทศอีกก็รับสีนอีกรอบนึงอะไรปลั่เหลือปลั่งปลาเหลือที่ให้รสนที่รับไปเมื่อกี้หายไปไหน เรียนรู้แล้วมาทีเดียวกันนะถ้าผูกมัดให้โยมให้โยมเป็นแบบสี่ทาอนี้มันให้ผูกมัดไปให้ปั๊บจำมาไว้แต่โยมอะเกิดกระบอกเรื่องนะจ๊ะคุณผูายเป็นแปบแบบแผงถ้าถ้าเราถ้าชาวพุทธถูกสอนมาว่าห้ามในศีขษะบทท่าประการเนี่ยเป็นชาวพุทธถ้าเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดนะปั๊บเนี่ยจะไม่มีชาวพุทธล้เหลือหลงเหลืออยู่ในในในศาสนานี้เลย เขาวิถีชีวิตจริงมนุษย์ไปดูสิตามท้องอไร่ท้องนาเนี่ยไปดูสิแล้วมีโครงการหูบัานรักษาศีลห้าเป็นไงอ่ะมันมันเหมือนอะไรเหมือนบอกกันหรือเปล่าสมัครแล้วสมัครอีกอะ่ะยั ง, ย, งยังไม่เข้าเลยแล้วกมีอีกอันหนครับเพ่ไปประกาศตัวเป็นพุทธภพกษัร รักสิแล้วกับอันนี้เนี่ยทีนี่เขาบานเขาจะใช้เลยนะที่ที่มาจากสายนรือจะไปนอกที่เขาไปสมาทายสิหรือว่ารักอะไรกันแล้วแต่ถ้าเขาไปรักแล้วเขาไม่ศึกษาต่อแล้วเขาไม่ลึกซึ้งส่อในสัจธรรมที่ที่จถามข้าวี้นี่มันก็ถามว่ามันจะรู้เรื่องไหมหนูคิดว่าคงไม่รู้เรื่องแต่ต้องเข้าไปให้ถึงแล้วเขาเรียนรู้ไปแล้วปฏิบัติและศึกษาปฏิบัติไปด้วยมันถึงจะสั่งข้อกระชับ หนใูใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างนะ้นะก็ดีดีแล้วต้องตำบางอย่างก็ตอนนี้ก็มีความลูกน้างมากั้งมาถึงเนี่ยเองไม่ call, ต้องมาถึงเดมมันก็เรียนอาชีพศึกษาให้เรื่อยๆค่ะแต่คนสัญชาติเข้าไปเราก็ไม่ได้ว่าเขาว่าเขาไม่ดีนะแต่ที่หนูมองเขาก็อย่างว่าเข้ามาใกล้พศาสนาของเราก็อย่างดีที่ไดความอบกุนถ้าออกไปมันก็หนาวก็รองแต่มันเสียดายที่เขาไม่ได้ค่อยศึกษาค่ะ พู้เรีเจ้าจึงใช้คำว่าสี่ขาบทบทที่จะต้องศึกษาศึกษากันไปเรื่อยื่ศึกษาเห็นโทษข้องมันแล้วก็ลดเว้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามพิธีปกติศึกษาเห็นโทษข้องมันแล้วก็ลดเว้นแปดขั้างกับิมห้าขเอาอยู่เรื่อยๆศึกษาแต่ใครอาจารย์นี่พื่อพาดจงสอนผิดอะาแใครอะก็ไม่หาพลาอย่าะมีอาจารย์ลูกเดีีสอนแป้ว ก็ลงมาหาผ้าทุกทีนะนะก่อนจะทำอะไรอ๋อโยมรักสีอะไรเ้ยหาหน้าตาที่นี่ล้ถามก็ไม่ตอบไม่ถูกอ่ะเอมันไม่การนักอีาก็มันจะหาไ้งายเยมันเป็นอนี้มันเป็นแบบแผนเป็นแบบแผนอารู้ว่าเขาไม่ศึกษาตถพอที่เขาปอย่างนั้น่มคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเรื่องนี้อาตมาก็ผบคิด ผบคิดมาโดยตลอดในการที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้คนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเราจะอธิบายยังไงดีเพราะเรื่องราวของศีลที่แท้จริงเนี่ย ม, มันมีองค์ประกอบสองอย่างเท่านั้นเองคือหิริกรรับโอตป่ะที่จะก่อให้เกิดการเจตนางดเว้นได้หิริคือวความละอายต่อบาตโอตป่าคือความเกลีกลัวต่อบาตรที่จะก่อให้เกิดเจตนางดเว้นที่จะเป็นตัวศีลนี่คือองค์ประกอบถ้าจะพูดถึงศีลจริงก็มีอยู่สองอย่างหิ ร, โริรโอตป่าเป็นศีล ถ้าไม่มีสองอย่างนี้ไม่มีความละอายต่อบาปและมีความเกรงกลัวต่อบาปมันมันก็จะรักษาไม่ได้มันก็รักษาก็รับไปอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมเป็นรับกับพระก็ไปอย่างนั้นเดีวก็ทำลายศีลไม่ได้มีไว้เพื่อทําลายมีไว้เพื่อรักษาแต่ก็ไม่ยอมรักษากันเพราะไม่มีความชอปฏิบัติเขาเขาค่อยกว่าสองข้อนี้แล้วก็เขาอยากจะได้สมบัติทางโลกมากกว่าก็ไม่เป็นไรไม่มีสองข้อนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีศีลก็สามารถสร้างการงาน พุทธเจ้าสอนเรื่องการสร้างการงานไว้ไม่จะเป็นต้องมีศีลก็ได้ไม่จาฮะไม่มีไม่ได้น่กลัวน่ากลัวอะไรไม่กลัวตบาไม่มีความมรรสหน้ากลัวคต้องมีหนูน่าจะวรู้สึกงัอันนี้ความรู้สื่อของตนเองนะแต่ความรู้ของผู้ธดเจ้าที่เป็นพุทธพวงบอกว่าไม่มีศีลสักข้อก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีพระรานาฏย์พระรานาฏยต้องมาก่อนศีลเข้าใไหม มีพระรัตนตรัยเลื่อมใสในภาษาสดงเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์จะต้องไม่ยึดถือสิ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเพอบุคคลยึดถือรัตนไตยแล้วก็จะสามารถปิดอบายภูมิได้ไม่จําเป็นต้องมีศีลแล้วแต่ต้องยอมรับผลกรรมนะเกิดมาอีกชาติหนึ่งปั๊บเป็นมนุษย์นะี่นะอายุสัน้นขี่โลก มีมสภาพร่างกายที่คนพิการต้องยอมรับแล้วก็คือเรียนรู้ตรงนี้แหละให้เข้าใจคร อ, อบครัวแตกแยกทรัพย์ ส, สมบัติที่ได้มาถึงความชิบหายใบยบอดไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อถื อ, ถอสติปัญญาไม่สมประกอบต้องยอมรับหน้าเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องได้รับโทษที่ตัวเองไม่รักษาศีนเนี่ยตามศีขาวหัวท่าประกาเนี่ยต้องได้รับโทษตามนี้เพราะไม่เคยงดเวท แต่ยึดพระธนรมไทยเพื่อไม่ให้ไปตกสู่อับอายภูมิ<อ>ก็ยังดีกว่าไปตกอาบอายภูมิมาเป็นมนุษย์อย่างไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังดีกว่าไปอสู่อับายภูมิขยายไหมได้เนี่ยหลักการมันอยู่อย่างเงี้ยถามว่าเขาไม่รักษาศีลมีมีมีปัญหาอะไรไหมล่ะไม่มีก็เขาไป็นคนรับผลเองอก็เป็นเรื่องของเขา <laughs> ไม่มีปัญหาอะไรเขาอยากได้ผลอย่างนั้น ก็มีให้เห็นใช่ไหมคนที่เกิดมาแล้วที่คนที่การใช่ไหมอ่ะ mm hmm. เจ็บป่วยมากอายุสั้นใช่ไหมตายก่อนไปอันควรเราก็เห็นกันอยู่นี่ทรัพย์สมบัติถึงที่ไยายเราก็เห็นกันอยู่นี่ mm hmm. นะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรยึดพระราตรายไว้อันนี้ผู้ได้เจ้าเมตตาที่สุดแล้วนะยึดพระราตรายไว้บางคนบอกไม่ศรัทธาพระร า, าตรายทำไงให้า ท, าทานนะอย่าทิ้งทานถ้าไม่ศรัทธานในพระพระร า, าตรายก็อย่าทิ้งทานเอาทําไม mm hmm. ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. ก็จะไม่ผืนเพลิงเรื่องอาหาร ก็จะมีอาหารการกินในที่ตัวเองเกิดในถิ่นที่ตัวเองอยู่ไปเกิดเป็นเฟสก็จะมีอาหารการกินไปเกิดเป็นอสูรกายก็จะมีอาหารการกินไม่ฝืดเครืองถ้าได้ให้ทานตกนรกไหมการคู่ให้ทานจะไม่ตกนรกแต่ก็มีที่ตกนรกด้วยจิตจิตอคุศลอันเนี้ยทั้งทังที่ให้ทาน ก็ตันรกด้วยจิตอกุศลก็มีเข้าใจให้อาจารย์ถ้าสวดจิตเราแล้วมีมีดวจิตเห็นมันแทกมันแฝงอยู่มันร่วงเกินในพระชนะายในสิ่งให้คุณครรมนี้ทั้งหลายเนี่ย แล้วเวลาตกตกลงใครไปกอ่ะตกวจิตดวงนั้นที่ทำจิตป็จิตตัวที่ทำใช่จิตตัวเจ้าของไม่ใช่ตัเจ้าของิตตัวที่มันคอยแทรกแช่งมนเลยจะไปแช่งทําไหมก็บอกเขาบอกดวงไปสูสไปนะกลัวไม่ได้คิดกลัไม่ได้คิดคำทีมันจะแยกออกมาอะไรที่ดีแบบจะไปแช่งเขาไหอ้าวมันแสบมันเลยดามเลยไงอย่าไปดา็ ก็บอกก็บอกความดีความไม่ด ok ีให้เขาได้ทราบว่ามันก็อย่าไปแช่งถ้าไปแช่งก็เกิดเป็นโทษสําหรับตัวเราอ๋อดาวฟ้าดาฝนดาวลมดาวแรงก็มีโทษนะเนี่ยอย่าอย่าอย่าอย่าว่าถึงเรื่องนี้เลยเดินไปเตะตอนดาวปอมึงทําไมไม่หลีกกูก็ยังมีโทษเลยอเอาจริงๆนะเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมจ uh uh ิตของเราได้ถ้าพูดออกไปป๊อมันเป็นกรรมแล้ว แต่ถ้ามันยังเกิดอยู่ในจิตอยู่มันยัไม่ใช่กรรมเพรามันเป็นอารมณ์ที่เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับแต่ถ้าพูดออกไปปั๊บเนี่ยเป็นกรรมทันทีและผลมันจะเป็นยังไงนะก็จะนํานําสู่เป็นริบาศถ้าได้ทํากรรมแล้วพวกเกิดเป็นริบากทันทีเป็นรีบาศที่จะนําสู่ผลก็จะถูกด่าก็จะถูกตําหนิถูกต่อว่าถูกด่าขึ้นมาลอยลอยใช่ถูกด่าขึ้นมาลอยลอยเลวไม่ดีชั่วบ่า แสดงว่า oh, oh. ถ้าเราถงตําหนิบ่อยๆนี่ให้เข้าใจแล้วว่าอดีตนะเราใช่เราก็เคยด่าลมดาเล็กมาเขาก็ด่าลมด่าเล็กมาแต่มันมาถูกเราอ๋ออาจารย์นั่นเป็นเพื่อนคนเดีคุณไสายทำไมไปแค่เรื่องลมพัดลมเฮเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้อาตมาก็ไม่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการทําคุณสาไม่เพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องของการทำคุณสายไปรับรับไอ้ผีไอ้ไม่ใช่ไอ้พวกคุณสาเป็นรมพัดลมเฮหรือว่ามันเข้าตัวอะไเองเนี่ย ไปโดนมาแล้วเขปล่อยไปคุณใสแล้วเราไปรักมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจรักมันเข้ามาเองอมันมาชนมาชนเขาปล่อยไปที่จังหวะเราเป็นจังหวะเราไปไปไปเจอเข้าเขาคงจะมีวิบากดึงเข้าไปให้เจอกันแน่แหละเพราะในพุทธศาสนานี้ไม่มีเรื่องของความบังเอิญมีแต่เหตุปัจจัยที่จะให้ไปเจออย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้ไปเจออย่างนั้นยังไงก็ไม่เจอมันต้องมีเหตุปัจจัยแน่นอน เองเคยเคยทำเคยเล่คุณสายเลื <c oughs> เอ่องอนใช่ไหมครับยงอัตมานี่ <c oughs> เขาบอกว่าสมัยเป็นเป็นอ่าเป็นเนนเป็นเนนมีคนที่เขาเก่งเกี่ยวกับคุณสายเก <c oughs> ี่ยวกับคุณสายที่เขาคล้ายๆกับว่าเขาเขาไปเรียนคุณสายมาจากขาเมร์หรือจากที่ไหนา้าพอดีอัตมาได้ก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของเขาหรอกแต่ก็ได้ช่วยเหลือเขาไว้โดยการให้อาหารตอนเป็นเนนน่ยนะ ใหอาหารเขาก็เลยจะมอบมอบวิชาให้อตมามอบคุณใส mm hmm. เขาบอกเขาพยายามจะพยายามใส่เขาเรียกว่าถ่ายทอดวิชาทานร่างอาตมา mm hmm. เขาบอกแปลใส่คุณใสไม่เข้า mm hmm. คือใส่คือเขาบอกอาตมาเนี่เรียนวิชาพวกนี้ไม่ได้เพราะของมันไม่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในร่างได้ mm hmm. ของไม่เข้าตัวเพราะอาตมาไม่เคยทาพวกนี้มาก่อน mm hmm. เขาบอกว่า อาตมาเนี่ยใครจะใส่พุนใส่ยังไงก็ตามไม่มีทางเข้าเชื่อรับไม่มีตัวรับมันไม่มีไม่ได้เป็นทายาทไม่ได้เป็นทายาททายาทสูงเขาพยายามทําหลายครั้งก็ออกมันไม่เข้าแต่ที่คนแรกเนี่ยจะได้เคยทำมาเคยทํามาก็เคยไงเคยเป็นกรรมดีกว่เพราะฉะนั้นใครทําคุนใส่ใส่อาตมาไม่ได้ไม่มีทางเข้าบอกแล้วอยู่แต่กระทบไหมกระทบแต่ไม่เข้า มาก็าพบพอให้รับทราบพอเราจะรับรู้ขึ้นมาหน่อยปับ๊บมันก็ติวกระเจิดกระจิงไปแล้วค่ า, า, า่หารที่จะเป็นอำนาจของพระราตนาัดใจก็มีสว่วนนานพระราตนาตัดด้วยอันนี้โยมจะล่าตามประสบการณ์ที่ไปไปที่ถึงไม่ชินเนี่ยนะขาสละงไปถึงไ ม, ม่ชีนมีไม่ชีถึงสิแปดแต่ไปอยู่บ้าน เด้านที่สาวก็ทําได้มีเจียมเจียวขายแล้วตอนนั้แกจะดังเนาะคนที่ในตลาดไปหาแกเยอะๆยห้จะดูหมอกูอะไรเราก็ได้ยินมาเลยก็สองคนอยู่เราไปไปไปดูดูไหมไปไปดูว่าเป็นยังไงเนี้ยไปแล้วแกทักะอะไรอย่านี้นะแกทักเสร็จแล้วก็แกก็จะถามยมหลายท้งแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ไหมโยมบอกไม่มีเรามีพระพุทธเจ้าองเดียวที่เป็นครูบาอาจารย์เราดีมากเนี้ยถามสองสามครั้งแล้วเวลาเราก็ไจะดูหมอก็แล้วกัน เขาใส่ขอไปให้เราอ่ะใส่ให้คุณแสงส่ผียะเพื่อนแง่คือเราผีมินใส่ไปในตัวเราอ่ะเสร็จแล้วก็ก็บอกอุ๊ยเงินมีเยอะแยะล้วบอกเขาจะเอาเอาเอาพระอะไรพระอะไรพระสมเด็จข้าเราบอกพระสมเด็จหายากจะตายอามาทำไหนซะย้ายไปเป็นกระลุบกุะลุมาเป็นหายไปแล้วโอ้ทํามันไมียอมคนหนึงนะนะเขาเขาดูแลเป็นของพ่อของแม่อะไรนิ้วเขาเอามาให้ให้แม่ชีอ่ะคำว่าให้แม่ชี บอกไม่เอาหรอกเพราะเราก็เป็ชอบรักษาผ้าคนนี้เรกไม่เอามันก็ไม่เอาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคุณเดินจะพาไปรักษามันเข้ามาดูหนึ่งเด็ก็กเดูไม่ออกเขาดูไม่ออกเขาก็เลยมาดูโยมแล้วก่บอกงูเงินก็มีน้าแตแล้วเออไม่มีน้กคุบาอาจารย์บอกไม่มีเราคนนี้ผู้เจ้าองค์ี้แค่นั้นแหละมันก็ว่างนี้เนาะเสร็จแล้วกลับต้วเดินไปเดินจงโกเดินไปเดินก็บอกถ้าอะไรนะมัน เขาบอกว่าเออเนี่ยระจะเป็นโรคหัวใจนะเขาจูบเข้ามาบัญชตรงอกเราเนี่ยระวังจะเป็นโรคหัวใจจะมากเฮ้เป็นได้ยังไงฉันก็เลยไปเดินโยงกลมกลับบ้านเลยคุณแล้วอยู่ๆมันกปวดหัวใจบอกเฮ้ยกูจะเป็นบ้าเขาชเป็นหมาเป็นซูเปอรเป็นหาตามด้ยังไงแล่าปเองไงไม่เป็นหรอกวาถ้าเดินไปเดินมาเดินแล้วเป็นหนักพออีกวันอีกวันที่สองร้าวมาถึงแขนเลยโยงมันนึกถึงมันมีอะไรอย่างถ้าเราเจออะไรนะมันจะได้อ่านรึกที่แย่ ไปเจอคาของหล ว, พวงพ่อฤาษีดาท่านไปตรงนอกท่านโดนคุณใสเ ข, ขเข้าคำเหนือยเขาไปทดลองท่ลองแกะหล ว, วมันหลวงพ่อสาีดำเลยบอกว่าถ้าใครเจอนะพวกนี้นะให้ท่องคาถานี่เลยสามมาเนสามไปงานคือสามมาอาหารเล่นะจะให้พูดยอดสามมาเนี่ยสาไปงานคไม่มู้ ม, มเห็นก็ไปหาเจ้าของเขากหนดสิทิว่าจะทําไเขาให้มันผิดกวมันล้ามาถึงแขนแล้เจ็บหัวใจแล้วเป็นุกตาหัวใจวอะเจ็บไม่ควจะเป็นบ้านไม่ชินบ้านยังไงเลย ถ้าเดินแล้วก็ทำเนี่ยกำหนดเดิมเนี่ยมันมันหลุดมันหายเี่ยอาจารย์มันหายเน่ะสามัญง่ายสามัญง่ายคุณรู้ไหมนึกออกได้อย่างนงี้ยแต่คนนึกถึงจริงแล้วเราเราไม่จริงจี้อ่ะแต่ว่าเรป็หมดใจเพิ่มมาเรื่อยทีหลังที่สาว่กบอกไม่ชี้ป่วยเป็นโรคหัวใจนอนลยู่ตรั้นเขาจะสง่าที่ทำให้คุณคุณสน้าเขาอีกแล้วก็เวนต่อโอ้ยหลายปีแล้ว เป็นเชียร์หลอกลวงอ่ะเป็นเสื้อผ้าหอดท่านั่นแล้วก็ผ้ามาใช้งานมามต่างใบมาอะไรเงี้ยไม่จริงคนนั้นอ่ะเ้วบอกว่าไม่จริงว่าบอกผ้าว่าเป็นแม่นะตอนนั้นทำมารักษาไม่รเาเคยเขาเคยหลอกกันมาก่อนก็ไปหลอกกันต่อไปทั่วไปหลอกถ้าคนไม่เคยหลอกกันไม่ไปหลอกยังไงก็ไม่มีใครถูกเชื่อหลอกถูกหลอกคนที่ในตลาดนี่ถูกหลอกเอาเงินเยอะเลเคยหลอกกันมาเป็นธรรมดามาชุดใช้กันไป แล้วไปสร้างศาล้างอะไรที่เขาเนี่ยแล้วเอาผีเข้าบ้านเขา้วให้เข้าไปเชิอตัวเองมาไล่ผีเนี่ยถามอย่างนี้ในชีนั่นแหละสังคมเราแอบแฝงเข้ามาเยอะมากมายก็แยกแยะด้วยสติปัญญาเอาเองก็แล้วกันส่วนจะเป็นกรรมวิบัติร่วมกันยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องวมกับวิบัติแต่ตัวสติปัญญาสามารถแยกแยะและแก้ไขได้อย่าหลงเข้าไปในพิธีแห่งความเชื่อที่พูดเมื่อคืนนี้หลักคํำสอนใดก็ตาม ที่ไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อที่เขากระทำกันสิ่งเหล่านั้นถือว่าไม่ใช่สัจจในทางศาสนาก็อย่ายึดถืออย่าปัดพื้ตาแต่หลักคำสอนที่กล่าวสอนไว้ในหลักคำสอนนี้ในศาสนานี้ก็ให้ยึดถือในหลักคำสอนนี้เป็นเครื่องแยกข้อเท็จข้อจริงถ้าเราไม่มีหลักคำสอนมาเป็นหลักเราก็แยกข้อเท็จข้อจริงไม่ออกเราก็ยึด ถ, ถือมั่ว ในตลาดคำสอนเองที่เรายึดถืออยู่บางทีเราก็ขบคิดกันไม่แตกเราก็ยึดถือกันเป็นศีลรักษธรรมะกันเยอะดิกลเดิมงมงาย ส, สมาธิเองก็เหมือนกันก็ทํากันผิดวิธีทํากันไม่ถูกทําสมาธิไม่ถูกตัวสมาธิรักษาศีลไม่ถูกตัวศีลยึดรัตนาตาไตยไม่ถูกตัวรัตนาตาไตให้ทานไม่ถูกตัวทาน ไม่ถูกไม่ถูกตัวที่เป็นธรรมชาติที่โวงสรชี้ให้เห็น ใ, ให้รู้ <S <S ได้ผลไหมก็ได้ผลได้ผลไปอย่างนั้นแหละได้ผลไปไม่มากไม่ถูกตัวสมาธิก็ได้ผลไม่มากปาาัญญาทำปัญญาไม่ถูกปัญญาไม่ถูกกับปัญญาปัญญาอันเป็นไปเพื่อความชําแสกเกลียดคือปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับเนี่ยคือปัญญาในทางพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความชําแสกเกลียดหากไม่เห็นความเกิดและความดับก็ชําแสกเกลียดไม่ได้ สมาธิที่เป็นสมาสมาธิคือสมาธิในการรู้ความเกิดและความเสื่อมของขันห้าเป็นการทเป็นสมาธิเป็นไปเพื่อทำลายอสวะศีลที่เป็นตัวศีลคือเจตนางดเว้นเวรมณีการงดเว้นพราตนาตจที่เป็นรัตนาใจก็คือพรตนาใจที่ไม่เกี่ยวโยงกับมัตถุเครื่องรางของขัง ต้องผูกเสกทั้งปวกเป็นรัตนนาฏยโดยธรรมชาติแห่งรัตนนาฏยทานที่เป็นตัวทานคือทานที่เกิดจากเจตนาในการให้เจตนาที่จะให้ตั้งใจที่จะให้จึงจะเป็นทานในทางพิทศา คนก็บอกเอ้าก็เจตนาให้ทั้งนั้นหละมันจะไม่ใช่ทานได้ยังไงก็ก่อนจะให้ทานก็ต้องเจตนาก่อนใช่ไหมนะถึงจึจะเป็นการให้พระพุทธเจ้าให้เจตนาให้ในที่ไหนถึงจะเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากให้ให้ให้ในสงใช่ไหมให้ในสงสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เวลาเราไปให้ทานเนี่ยเราไม่ได้ปาลบสง เราปาลบุคคลใช่ไหมเมื่อเราปาลบุคคลทานนั้นก็ไม่ใช่สังฆทานเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากนิมนต์นิมนต์สงและสังฆทานพรอาจารย์ไม่ไปเลยถ้าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแต่ปาลบสงหลักหลักคือปราลบสงนิมนต์พระอาจารย์นิมนต์พิกสูนิมนต์สามเณรไปไปไปรับสังฆทานแต่ปราลบสงเพราะ ตั้งแต่พระเจ้าตัดกับในในทาลุกามิกัลชนตัดฟืนนั่นน่ะตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าบอกว่าให้ทําสัมฆาทานมาตั้งแต่นั้นเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมนุษย์ทั้งหลายแยกแยกให้ออกว่าใครเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่พระอริยญจ้าเพราะทาลุกามิกันั้นบอกว่าจะขอถวายทานแก่เฉพาะผู้เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นพระเจ้ากเลยบอกเธอแยกออกเลยว่าใครเป็นอริยเจ้าไม่ใช่อริยเจ้าแยกให้ออกพระเจ้าค่ะเมื่อเธอแยกไม่ออกเธอจงถวายทานในสงฆ์เถิด ก็มีผลเทียบเท่ากับพระอริยเจ้าพระลานความนิยมทําสังฆทานจึงเกิดมีขึ้นแต่เมื่อเราไม่เข้าใจสังฆทานสังฆทานเลยกลายเป็นฐานิตรโดยการทามาเป็นถังสังฆทานเรียงกันเราเข้าใจว่าไปซื้อถังสังฆทานแล้วเอาถังสังฆทานเนี่ยไปถวายพระก็เป็นสังฆทานอันนั้นไม่ใช่ถังสังฆทานมันจะเป็นสังฆทานไม่ได้สังฆทานไม่ใช่เอาเงินไปซื้อสังฆทานมันเกิดจากจิตจิตที่ปราลบสงฆ์เท่านั้น ปาลบสงสาวกของสมาสมาสุภริเจ้านั่นหมายถึงว่าทานที่เราจะให้เนี่ยเราให้แก่พระสง์สาวกของสมาสมาสุภริเจ้าสงสาวกของสมมาสุภรเจ้านับแต่ไหนไปด้วยนับตั้งแต่สวดอบัษฐรรมจนถึงพระอรหันต์ตรงนี้เรื่องปาลบสงเหล่านั้นทานของเราจงเป็นประโยชน์แด่สงสาวกของสมมาสุภรเจ้าหรือให้แก่สงสาวกของสมมาสุภรเจ้า ภิกษุที่นั่งต่อหน้าจะเป็นสงฆ์ก็ตามจะเป็นสงฆ์สาวกก็ตามไม่ใช่สาวสงฆ์สาวกก็ตามไม่ได้เป็นปัญหาทานนั้นเป็นสังฆท า, านหรือบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปซื้อถังสังฆท า, านเท่านั้นทานเราจึงจะเป็นสังฆท า, านน้าขวดเดียวก็เป็นสังฆท า, านได้ไม่ใช่สงฆ์สาวกมาหมายถึงว่าภิกษุนั้นไม่มีจิตในการประพฤติเพื่อความเป็นโสดาบัน บวชเข้ามาตามธรรมเนียมอยู่ไปตามวัดตามวาตามที่พระทั้งหลายเขาพาอยู่พาเป็นไปมีงานสวดก็ไปสวดตามงานต่างๆได้ทรัพย์ได้เงินมาก็ก็เก็บสะสมอันนั้นก็คือไม่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสูตรดาบันก็คือเป็นพระตามเพศคือเป็นพระโดยอาศัยเพศไม่ใช่พระโดยสมณธรรมนี หากเราปลาลบสงและไปให้ทานหลอดกับพิสูจเหล่านั้นก็ได้ก็ได้ผลแต่รสั้งมัน่นยืตัใช่ต้งมั่นอยู่ในสงช่าวอของพระสมสามาสมกุฎเจ้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราเลือกหาพระอริยสง์นะคือพระองค์ทรงตัดสังฆทานไว้นี่เป็นไว้สำหรับบุคคลผู้ยังมีรู้จักเลือกว่าใครเป็นพระอริยสงไม่ใช่อริยสง ตแต่คนที่รู้จักเลือกเนี่ยผู้เจ้าสารเสื่อเพราะนั้นคือปัญญาเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่ได้ผลเพียงแค่สังฆท า, านที่จะอานวยเป็นไปในภพชาติแต่จะได้ผลตรงที่ว่าคนเหล่าเนี้หากรู้จักว่าใครเป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ก็จะเลือกทำบุญอริยสงฆ์แล้วจะได้ฟังธรรมจากอริยสงฆ์อริยสงฆ์เหล่านั้นจะบอกธรรมแก่บุคคลผู้ได้ให้ทานถ้าบุคคลใดไม่ได้ให้ทานอริยสงฆ์เหล่านั้นจะไม่บอกคุณธรรมที่ตนเองเข้าถึงได้ แก่ชนเรานั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าอริยเจ้าท่านจะพูดถึงพุทธธรรมของท่านให้พวกเราได้รับทราบนั่นน่ะท่านจะไม่พูดต่อคนทั่วไปอยู่ต่อหน้าคนทั่วไปนั่นก็คือพระธรรมนาแต่อยู่ต่อหน้าคนที่พขได้ให้ทานกับพิสูจสงฆ์เนี่ยที่ท่านท่านท่านรู้ธรรมท่านจะบอกพุทธธรรมอันนั้นแก่พวกเราแล้วพวกเราก็จะมีใจในการต่อพิสปฏิบัติตามนอ่นีนั่นคือสิ่งที่พระสงฆ์สารเสริญมากว่าจะมีผลมากมรรคสลมากตาม แล้วหรอฉนั้แล้วปริยัตให้เข้าใจเลยนะั้นปริยัตก็คือการปฏิบัติปฏิบัติก็จะส่งผลเป็นปฏิปฏเวททุกๆขณะนั่นหมายถึงว่าปริยัตแล้วเป็นการปฏิบัติไปในตัวและเกิดผลไปในตัวแยกกันไม่ออกไม่ใช่ไปไปแยกปริยัตส่วนหนึ่งไปแยกปฏิบัติส่วนหนึ่งและไปแยกปฏิเวทส่วนหนึ่งมันแยกไม่ได้ อย่ไปแยกคนที่ไม่เข้าใจหลักของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทคนนั้นก็จะไปแยกไปแยกมาปริปริยัตินี่ปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปนั่งหลับหูหลับตาเขาก็วแบเนี้ไม่เรียนรู้อะไรเลยก็นั่งหลับหูหลับตาฝ่ายปริยัติก็เรียนตามหนังสือตัวหนังสือเลี้ยงกันจบจนถึงมหาปริยัติก้าประโยคใช่ไหมล่ะแล้วมีความรู้ในธรรมะทรงจําได้ดีมีความรู้ในธรรมะแบบ เลิศเป็นเลิศนะเป็นเลิศ่มมที่เป็นเลิศแบบลคิดว่าต่ที่ ม, มนุษย์ทำเป็นอรหันต์ได้ห<ด>ลงเข้าใจผิดจ้ได้จริงๆล้ไม่ได้ไม่ได้เพราะการที่จะบรรลุธรรมต้องแทงตลอดด้วยสัจจะสีหากไม่แทงตลอดด้วยสัจจะสีด้วยปัญญาและทิฏฐิอันถูกต้องอมไม่มีทางเข้าไปรู้ทั่วถึงธรรมได้ต้องแทงตลอดอริยาตสัจิให้ได้ ทุกวันนี้เราศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อเราศึกษาธรรมะโดยทิ้งความต่อเนื่องใช่จริงจริงแล้วเราไม่เข้าใจมากกว่าเราไม่เขพอใจว่าปริยัตปฏิบัติปฏิบัติเป็นยังไงเราไม่เข้าใจกลุ่มเลือกลัชนายเนี้ยเอาสมมุติอาตมาบอกว่าร่างกายประกอบมาจากธาตุซีนะอันนี้เรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยยังไม่ใช่ชั้นปริยัตนะเป็นชั้นของการได้ยินได้ฟัง ปริยัติคือทำอยังไง ร, รู้ไหมปริยัติคือเข้ามาศึกษาแลวทีนี้ว่าเส้นผมเป็นดินจริงไหมผลเป็นดินจริงไหมเล็บเป็นดินจริงไหมอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัตินะนี่นปริยัตินะ น, นี่ครับฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกบ้าหัวใจตับท้องถือไตปอดเ่ ส, ส, ส, ส, สน้อยเป็นดินจริงไหมอย่างเงี้ยดีสเสลองเลือดมันเหือมันพ่นน้ำตาเปียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำสสะเป็นน้ำจริงไหมธาตุไฟ ความร้อนในร่างกายความอบอุ่นในร่างกายพัดลมพัดไปมาในร่างกายเป็นลมจริงไหมเป็นไฟจริงไหมอันนี้เขาเรียกว่าปริยัตปริยัติหลายครั้งหลายหอนปริปริยัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยเกิดความรู้ขึ้นคือปฏิบัติเกิดความรู้อย่างแจ่มแจ้งนั่นคือกับปฏิบัติเพราะตัวความรู้เนี่ยจะปฏิบัติต่อกายด้วยความไม่หลงยึดจะปฏิบัติต่อเขาเรียกว่าเป็นญาณไงเป็นญาณความรู้องค์ความรู้แต่บางท่านาบอกองคความรู้จะยังทราบในกายอยู่ตลอดเวลาไม่หลงยึดกาย ว่าเป็นเป็นอย่างอื่นมันคือดินคือน้ำคือไฟคือลมแน่นอนนั่นคือการปฏิบัติจากนั้นก็เขาไปเรียนรู้เรื่องจิตว่าเรียนรู้ไปเรียนรู้ว่าจิตมาจากเวทนาสัญญาสังขารนิจญาณแล้วก็เข้าไปเข้าไปปริยัติทีเนี้ยปริยัตคือเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้นิจญาณเป็นอย่างนี้นี่ก็ไปเรียนรู้เวทนาเป็นยังไงก็เป็นสามเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาเป็นยังไงเป็นความทรงจําสังขารเป็นยังไงเป็นการปรุงแต่ง พิญยามยังไงเป็นการรับรู้รเรียนรู้เข้าใจอ๋อระบบของจิตคือสี่อย่างนี้ระบบของกายคือทั้งสี่ระบบของจิตคือนามสีอันนี้คือเข้าไปปริยัตปริยัตคือเข้าไปเรียนรู้อาการที่เกิดขึ้นจริงพอเกิดความรู้ความเข้าใจในจิตแล้วอย่างของแท้ก็เป็นปฏิบัติตก็เกิดผลน่ะเกิดผลเป็นปฏิเวททันทีแล้วไง เ, ไเกิดได้เลยแต่เป็นผลที่ยังไม่ใช่ผลในการบรรลุ เป็นผลของการผล ก, ลกผลก็คือความไม่หลงลืมในกายกับจิตว่าเป็นตัวตนกายเป็นห้าสีแน่นอนจิตเป็นนามสี่แน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่มีตัวตนใดๆอยู่ในจิตไม่มีตัวตนใดๆอยู่ในกา ย, ยเข้าใจมเมื่อไม่มีตัวตนใดๆอยู่ในกายมันก็คือผลรวมของการผสมกันจากธาตุจิตก็คือผลรวมของนามสีนามขันสี่เวในเวทนาไม่มีใครเป็นเวทนา แต่เวทนาเป็นเวทนาโดยตัวของมันอยู่แล้วในสัญญาไม่มีใครเป็นสัญญาไม่มีมีตัวตนในสัญญาสัญญาเป็นสัญญาโดยตัวของมันเองอยู่แล้วสังขารก็เป็นสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณการปรุงแต่งในภายในไม่มีใครเป็นผู้ปรุงแต่งตัวตนของผู้ปรุงแต่งไม่มีแต่การปรุงแต่งนี้คือสังขารนั่นเองเป็นผู้ปรุงแต่สังขารก็คือสังขารนี่จะตัวตนปรุงแล้วก็ดับหายไปมีแล้วก็ดับไปอะไรประเภทนี้เมื่อเรารู้แล้วความรู้คือการปฏิบัติ ผลจากการที่รู้แล้วคือปฏิเวทคือไม่หลงลืมในอาการทั้งกายกับจิตเมื่อเกิดปฏิเวทเรียนรู้ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตปฏิบัติป ฏ, ป, ฏตปฏิเวท ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผ่านวัน ผ, ผ, er. ผ, ผ่านพืนผ่านเดือนผ่านปีไปจิตไม่หลงยึดถือทุกทุกขนาดแห่งการไม่หลงลืมในสภาวะกายสภาวะจิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่ออะไรที่เต็มความบริบูรณ์แห่งองค์มากเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็จะเกิดมรรคสมังคีในการปัหารอ รอคแค่ว่าน้ำมันจะเต็มเมือไหร่เท่านั้นใช่อันนั้นอันนั้นคือบิวบดบิวบดนี้ไม่ใช่ปริยัตไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิเวทนะบิวบดคือพ้นพ้นจากปริยัติพ้นจากปฏิบัติ<ค>พ้นจากปฏิเวทใช่เงา น, นการภาวนาทุกครั้งนี้เหมือนกับเราเตินนมน้ำในแก้วทุกครั้งเลยถ้าเราภาวนาถีบ่อยบ่อยน้ำมันจะเต็มไว สำคัญคือต้องต้อง<ร>ต้องเรียนร <ตะ S 1> <น>ู้บ่อยๆมากๆแต่แต่เราก็จะต้องทำในส่วนที่เราทำได้ก่อนให้มากส่วนที่ยังทำไม่ได้อย่าไปทำพอมันจะกลายเป็นภาระพอเรายังทำไม่ได้มันจะกลายเป็นการแบกรับ לח. ต่างๆสิ่งต่างๆไว้แล้วเราจะทำให้เราท้อแท้แล้วไปไปได้ยากทำในส่วนที่เราทำได้ก่อนทำได้เท่าทีาไ่ได้ทำได้เท่าที่ได้ทาได้เท่าที่ได้ทาได้เท่าที่ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ ทิ้งไม่ได้ขอทุละไม่ได้ต้องปราลบในการที่จะกระทากระทําจนกว่าการกระทาที่เราทําได้อย่างเนี้ยมันจะมันจะเกิดกําลังมากขึ้นจนขยายไปสู่การกระทําอย่างอื่นต่อไปอีกพอทําตัวนี้ได้ป้าก็จขยายไปทํำอย่างอื่นต่อไปอีกขยายไปทําอย่างอื่นต่อไปอีกองค์ทำต่างๆก็จะไหลรวมเข้าสู่จิตนะสติปฐานสี่สำมะปทานสี่อินทรหีห้าพล้าห้าโพธงเกตม้าแปดจะไหลรวมรวมสู่จิตในขณะที่เรากระทำอยู่ขนาดนั้น ไม่ได้ไปแยกคำนะทำในอันเดียวนี่พินาะการพินาะจิตสองอย่างเนี่ยมันไหลรวมลงอยู่ในนั้นแล้วองค์หนึ่งธรรขนาดนั้นแล้วไปแยกคำไม่ได้มันไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแยกเพราะมันก็อยู่ใ น, น, นเดียวกันนี่แหละใช่มันอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทแยกกันไม่ได้ บางทีแบบแล้วได้ได้มาไม่ต้องเอาไปยัดก็ได้แต่จริงมันต้องพึ่งพาใสงอะไรมันได้อะไรอย่างี้ใช่ไปยัดตัวไปยัดไม่เอาเราต้องปริยัดตัวเราเรื่อยๆเรียนรู้กายอยู่เรื่อยๆอันเรียนรู้ตัวหนังสือน่ะคือการเรียนรู้เรียนรู้หลักของวิชาการยังไม่ใช่ปริยัดเว่าแค่การเรียนรู้แค่การเรียนรู้ใช่การเรียนรู้ ใ้อย่างที่เราไปฟังของของของอะไรนะแม่แม่ในที่สอนพม่าในในบุญหลดบดท่อะไรนะแก่แก่แล้วหลายเนี้ยในชินในชินนะในชินทิเเออใ่ใช่เออ้านขาสอนสอนปัญญาถ้าสอนถ้าท่านปฏิบัติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าไหมคะถ้าไม่ธรรมดาถ้าไม่ธรรมดาเนีอทีสิ เรามีคนไม่ธรรมดาในประเทศเยอะนะแต่เราไม่ได้ความรู้จากคนไม่ธรรมดาเหล่านั้นสักเท่าไหร่อยากรู้เพื่ออะไร<ภ>สังคมเรา<ภ>โดยเฉพาะสังคมพุทธอินทะร์เราสำนักสายมากในเวไร<ภ>โดยเฉพาะในช่วงที่ขาดครูบาอาจารย์หนักเลยท้องกลับมองว่าคือเมื่อตัวเองเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยใบยม่เนี่ย อธรรมะพุทธเจ้ามาสอนพอสอนตปลายก็การเป็นธรรมะของครูไปละเพราะโลกไงถูกลุกอิทธิ์ยกขึ้นปั๊บเนี่ยแล้วนี้พอเวลาเวลาแสดงธรรมหรือเวลาบรรยายผ้าพวกเนี้ยใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปแทรกเยอะมันก็เลยการจริงๆความเห็นก็ใส่เข้าไปได้มันจะได้ทําให้รู้ว่าเขารู้ในคําสอนของพุทธเจ้าในแง่ที่เขารู้ข<ฆ>ในระดับไหน อ, อ เมื่อเขาถ้าเขาไม่ใส่ความเห็นไปเลยเราจะแยกไม่ออกว่าเขารู้ในระดับไหนเพราะก็จะเป็นคําสอนของธเจ้าคือคําสอนพุทเจ้ามันคัดค้านไม่ได้อยู่แล้วไงยกคําสอนพุทเจ้ามาพูดมาพูดมาพูดถ้าไม่ได้ใส่แง่คิดลงไปเราจะไม่รู้เลยว่าคนนั้นเข้าใจหลักคาสอนระดับนี้แค่ไหนก็เข้าใจอย่างเรื่องภาษาญี่ปุ่ที่หลากหลายอืมมันต้องใส่แง่คิดเข้าไปไแต่คนมันแยกไม่ออกว่านี่คือแง่คิดเกี่ยวตรงต่างหากไม่ ต่างหากจากคําสอนคนแยคคนคนแยกไม่ออกเมื่อคนแยกไม่ออกไปเหมารวมในคําของพทธเจ้าที่สิ่งที่เขาสอนยกคําสอนพทธเจ้ามาแล้วเขาใส่ความเห็นเข้าไปไปเข้าใจคําสอนตามความเห็นที่ครูอาจารย์นั้นสอนว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อลูกศิษ ย, ย์แยกไม่ออกปั๊บเกิดการเหมารว ม, า ม, ามว่าเป็นคํสอนว่าเป็นคสอนของพระเจ้า คือแน่แน่นะไม่ใช่แต่แต่ในนี้อาจามาจะบอกเลยนะว่าทัศนคติของอาจมาเป็นอย่างนี้หลักส่วนหลักคําสอนเป็นอย่างนี้แต่ทัศนะที่อาจารมามีต่อคําสอนเป็นอย่างนี้นะอามาก็จะสอนแยกให้ออกมันต้องต้องให้แยกไงใช่นี่นี่นี่ไปเหมาคนฟังเหมาปั๊บก็เลยจะไปตับความเห็นวิการณ์ไปเรื่องอะไรนึงมันก็เลยเตยุ่มหัวอขาซะเยอะช่แล้วไม่เข้าใจไงปัญหาคือคนฟังไม่เข้าใจคนฟังมันไม่เข้าใจอยู่แล้ว ข้ออ่อนด้อยคือข้อนั้นคือคายน้อยจะแหละคือสาน้ อ, อยจนะแหละข้ออ่นนะอนนั้นพระเจ้าพูดคือสาน้อยอาตมาจึงบอกว่าที่ที่อธิบายธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่แ ง, งม่มุมทางทัศนาที่อตาตมาได้มองได้สแสดงออกแง่มุมหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของพุทศาสนาพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วงไงคนจะได้แยกแยกออกไงว่ามันเป็นแค่แ ง, ง่มุมหนึ่ง หรือทัศนาของเราเองเราไม่ได้เอาทัศนะของเราไปเหมารวมในหลักคําสอนแต่เราสามารถยกคําสอนมาแยกเป็นประเด็นแล้วก็ซอยแยกย่อยอธิบายจริงที่เข้าใจครับเข้าใจง่ายเนาะที่เขาที่เลยแรงเน่ะมันมันเหมือนเอาเอามาปนกันะ่ะมาปนกันเหมือนเป็นคำาของครูไปแล้วอะเลยเลยมันเลยไม่ไม่ค่อยคนกลัมเลยแย ก, แยกเราสอนวัตถัยพิดกันเกือบจะ ทุกสำนักเลยนะเรามีพระไตรปิฎกเป็นเป็นหลักยึดอยู่แล้วคือมันหนีกันไม่ได้อยู่แล้วหลักพระไตรปิฎกนี้นะแต่การตีประเด็นในหลักคําสอนตามทัศนะตของตนเองเนี่ยตัวเนี้ยปัญหาก็คือเอาคําทัศนะตของตัวเองไปเป็นหลักของพุทธพจน์ในตัวเข้าใจไหมโดยไม่บอกว่าเป็นแง่คิดของตนครับเพราะข้อหนึ่งท่านอาจารย์ โดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่สแสดงพูทธวะวจนะในแง่แง่คิดของตนว่าเป็นพทธวจนะหนักเลยอันนั้นหนักเลยหนักมากเพราะคนจะแยกไม่ออกเข้าใจว่าเป็นพทธวจนะจริงๆมันเป็นไม่ได้ยังไงก็เป็นไม่ได้มก็เปมือนเหมืนอมนคนคนเดิเนี่ยเอาเอาทาไปยิงกับโลกนอกการที่จะอ่าน เอาโรคมาอิงเข้าในธรรมมันเลยวายใจที่สองกันไปกันไปนี้แหละอาจารย์รู้งสือที่เขาแต่งอะไรเล่สุกที่มากแ่อะไรนะนะอะไรเลรู้สุที่มากแบบมีมติมามีมานน้เป็นเป็นล่มแรกเขาแปลไรังหมดไหมอันนั้นยังยังเป็นหนังสือที่แสดงแง่คิดเฉพาะตนให้เราได้แยกบอกว่าอันนี้คือส่วนของท่านที่ท่านรจชนะขึ้นมา ในส่วนของพุทธพจน์ก็คือพระไตรปิฎกล้วนๆมีอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เป็ น, นการอธิบายของท่านเป็นอธถกถาที่ท่านอธิบายออกมาก็เป็นแง่ต่างหากท่านไม่ได้ไปปนในพระไตรปิฎกท่าท่านไปอยู่ในส่วนของต่างหา เ, เป็นวิสุทธิมากเป็นวปุติมากไปคนก็แยกแยกออกได้แต่ก็เป็นหลักอิงกันได้หลักอิงกันมาแต่ก็แยกออกได้ไม่ใช่ว่ายกพุทธพจน์คํานี้ขึ้นมาแล้วตนเองไปอธิบายพุทธพจน์ด้วยทัศนาของตอนเองให้เป็นพุทธพจน์ อนันอ่ะเสียหายเพราะคำของเราก็คือคำของเราพุทธวจนะนั่นก็คือวจนะอันที่เป็นข้อตายตัวอยู่แล้วนะมันมีหลายอย่างที่อธิบายทัศนะของตัวเองไปเป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยสำคัญนะเนี่ยเนี่ยคือฟังเพียนยังไงสำคัญน่ยเอาทัศนะของตัวเองเข้าไปแล้ว ไปอ่านเลยพุทธพจน์อ่ะนี่คือเกิดปัญหาของหมู่ในชาวพุทที่ยังเข่าปัญญาอยู่ครับแล้วชาวพูทธที่เข่าปัญญาก็เยอะเราต้องบอกว่าเข่าปัญญาเราไม่บอกว่าเขาเราบอกว่าโง่ไวม่ได้คนนี้มีใครยอมเล่ากับตัวเองโง่แต่ตมายอมเล่ากับตัวเองโง่มาตลอดแล้วก็ไฟการศึกษาเรียนรู้ในสัตว์จะทําที่แท้มาตลอด เราไม่ได้ฉลาดมาจากไหนเนี่ยเย็นจบโมองได้ก็ บ, บุญแล้วนี่เรืโมฉลาดเรื่องฉลาดขออภัยเนอคนที่ฟังทางรพูดไปอย่างนั้นแหละหมบนกันบ้างศาสนสาเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างนี้ไม่งั้นก็จะไม่เห็นข้อแย้งข้อทัศนะบางุ่ม ที่มีต่อพุทธศาสนาว่าเราว่าเป็นยังไงในเวลานี้แต่ภูริเจ้าพงษ์ก็พูดได้หมดแล้วแหละพูดไว้หมดแล้วว่าศาสนาจะต้องถูกลบเลือนไปเป็นเรื่องปกติส่วนที่ยึดถือถูกก็มีในบางส่วนแต่เป็นส่วนน้อยพงษ์ก็ตัดไปแล้วเพราะศาสนาจะํเดินไปสู่ความเสื่อมหลักคําสอนนีเสื่อมไม่ใช่สัตว์ตัวศาสนาเสื่อมนะเสื่อมโดยความลืมคือลืมหลักความจริงของหลักธรรม เนี่ยมเสื่อมอย่างนั้นอ่ะมีแต่ประเพณีพิธีกรรมเข้ามาสู่ศาสนาแล้วก็ประกอบพิธีกรรมจนประดุดดังเป็นสาระเก่ยนสารของศาสนาไปก็เลยเสื่อมเพราะไม่เข้าใจหลักคำคาสอนมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเสื่อมอย่างนั้นแน่นอนนเน ส, รรสืมแนซึ่งจะเหมือนติ๊กต้าที่ไหนนะาอ่านของนอาารย์ป่มั น, นแต่พิธีกรรมอ่ะวัดที่บอลอ่ะมีแต่พิธีกรรมอย่างเดียว คนทำไม่ดีวนเนียผมก็ถาเนื้อหาศาสนาพุทธสาระสาระมีแค่เนี้ยเหรออ่มีแค่เนี้ยเหรอโอ้ยโ้นี่แหละพระพุทธละอะไรที่เราทาพิธีกรรมอะไต่างต่เนี่ยมัเป็นคือโยงมหาศาสนาพุทธเราเออแล้วเราก็เข้าเข็มไหนพิธยพิธีกรรมเงียฮะเขาก็ว่าแล้วคนบอกก็าบอกเนี่ยพระเอกเาบอกเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะ เป็นวิธีกรรมเป็นเนื้อหาภาษาศาสนาพุทธชาวบานเก็เลยชอบใจอย่างนี้ครับพุก็คืออย่างนี้แหละก็คือแบบนี้ผมพรถาถ้าเนื้อหาศาสนาพุทธมีแค่เนี้ไม่รู้ผมนับถือไปทำไมใช่ไหมศาสนามีแค่นี้เหรอมาทำอะไรง่ายๆน่ะนะแค่การฆ่าไว้ก็ไม่เป็นไรเขาทาออกมาแล้วก็ยังมีคนนับถือเขาอยู่ก็ได้ก็ได้แล้วก็นับถือกันไปก็ไปตามกรรมของใครของมันเราก็ไปตามกรรมของเรา เขาก็ไปตามกรรมของเขาสมไปตามกรรมของใครก็มันสายใครก็สายใครก็สายใครก็สายใครกลายเป็นสายใครสายใครสายใครสายแใ้รมันเป็นกรรมมันต้องมีประเภทนี้อยู่ในในในโลกต้องมีประเภทนี้ต้องมีสายประเภทสายดักร่อมนุษย์ต้อมีต้องมีไว้ไม่มีไว้ไม่ได้ไม่งั้นมนุษย์เราขาดคนพวกนี้นี่มันมันก็แย่พอเท็จพอจริงหรอใช่ไหมล่ะ แต่จะให้มีเหมือนกันหมดนั่นก็ไม่ได้ไรพระอา้าจึงบอกว่าศาสนาพุทธมีแค่ชั่วคราวไม่ได้มีอยู่อย่างถาวรและไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเกิดแค่ช่วคราวะใช่ศา ส, สนาพุทธมีชั่วคราวนะนไม่ได้มีตลอดไปนะศา ส, สนาอะไรที่มีตลอดไปศนาะ ส, สนาแห่งความงม ง, งาย ม, ามีตลอดไปพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าก็มีตลอดศาสนาแห่งความนึกคิดของมนุษย์เนี่ยมีตลอดไป มนุษย์นึกคิดว่าอะไรดีก็เป็นศาสนาคิดมาก็เป็นอย่างนั้นตามความนึกคิด ต, ตามความเข้าใจมีแต่ศาสนาพุทธศาสนาแห่งศับจามีแค่ชั่วคราวม ไ, าไม่ได้มีอยู่ตลอดไ ป, ดดไดปถ้าเ ป, เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบปีนี้ก็เหมือนกับพระอาทิตย์เลยจะมาถึงบ่ายโมงนะคอยๆออกวมาเนี่ยจะไปทางตกแล้วส อ, องพันห้าร้อยเพราะว่าเพื่อจะทํามีห้าพันปีใช่ไหม อันนี้สองพันห้าร้อยคือกึ่งกึ่งพุทธกาลห้าร้อยหกสิบนี่ก็จะเข้าไปสู่บ่ายแล้วก็เริ่มตกไงเลยเริ่มตกใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันก็แล้วแต่คนอ๋อน่าจะเปาถึงเ็เหมือนกับเต่าตาบอกเลยเนาะเป๊ะเลยเนาะเออทั้งีนี้เราเป็นเต่าตาบอจริงนะถ้าเป็นคาราบาลงงนี่แสงก็ยังเจิดจ้าอยู่นะแสงก็ยังเจิดจ้าอยู่แต่น่าจะเป็นเจิดจ้าในวดูฝน มีแม่มาบังหมดมีมมาัวก็มัวมัวไปอย่างนั้นแหละถ้าการถ้าเกิดว่าเป็นสอ่าเป็นสี่โมงเย็นห้ามงเย็นหกโมงเย็นมัวอันนั้นมัวมัวเลยเลยอันนั้นอันนั้นก็ที่ที่เป็นว่าที่ทักใส่ไอ้เครื่องหมายที่ตรงหักหัวหรือ่เนรทศสาใช่าาพันคอบ้างพออยูบ้างทาไมถึงต้องส่ทำไมไม่เปิดคอเพาะ ก็สำนวนขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้สานวนข้าวบ้างเป็นอย่างนั้นกาสาวบาพันคอหรือห้อยหงายประมาณนั้นมีเครื่องหมายให้เปนเครื่องหมายให้เป็นขุดง่าเป็นนักบวชเป็นนักบวชหรือว่าอาจจะถูกเดียนเรียนถ้ถูกเรียนเรียนจากจากพระเจ้าห้ามเิดก็เลยได้ติดตั้งเราหมนส่พระเจ้าเอานี่ให้รู้ว่า ก็เป็นอะไรรอก็ความจริงเนาะมันใช่กับมันใส่ไปแต่จะไม่ทำร้ายใครเราไม่เป็นที่ฆาใครในการสมัยต้นผู้จัการมีผู้บรรลุทํามได้เยอะเาเพราก็าเกิดต้นเห็นไหมเราเองเกิดช้านสช้าสมัยนี้ก็มีผู้บนรลุธรรมได้เยอะเหมือนกันผู้ถึงต้นไงต้นในฝฟังทำปัก็ก็มันก็จะร่วงไงตอนนี้ลังม่วงลยคคนุธทําเป็นถ้าอรหันมีอยู่ต่อไปถ้าไม่มีก็ ก็เป็าคามีธนาคามีจะมากนาคามีมากขึ้นแต่จะไม่ใช่ว่าอัลรหันจะไม่มีมีแต่เป็นส่วนน้อยอนาคารมีจะมากเขาว่าอย่างนั้นนะตามตำราว่าอย่างงั้นตำราเขาว่ามายังไงก็พูดไปตามตำราไปก่อนแต่ความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละพอเลยไปอีกพันปีต่อไปก็จะมากไปด้วยสกัดธนาคามีอนาคารมีจะน้อยอัลรหัน์ก็จะน้อยลงไปอีกพันปีต่อไปพันปีที่ห้าอ่าพันปีที่สี่และที่ห้า พันปีที่ห้านี้ก็สกัสกสักกาาคารมีจะน้อยลงหรือแต่โสดาบันจะมากจะมากคือด้วยโสดาบั น, บนแล้วก็อาานณาคามีจะน้อยลงไปอีกอรหันจะยิ่ ง, ง น, น, น้อยลงไปอีกทีนึง<ม>พอครบพันปีที่ห้าปลายปีครบพันปีนั่นนะ่ะเกิดเลยไปอีกยังก็เสื่อมหมดจะเหลือแต่ปุถุชนคำว่าพูดท่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักลืม ทุกวันนี้ก็ยังลืมกันแห้พุทธะที่แท้จริงเป็นยังไงไปรู้พุทธะในเรื่องของพุทธะทางรูปไม่รู้แต่พุทธะที่เป็นนามเราต้องเข้าใจนะพุทธะนี่คือเนมิตตกนามนะไม่ใช่รูปนะเนมิตตะกนามเป็นพุทธะที่เป็นนามไม่ใช่พุทธะที่เป็นรูปแต่เราเข้าถึงพุทธะที่เป็นนามนี้ไม่ค่อยจะเป็นกันเข้าถึงแต่พุทธะที่เป็นรูปกัน ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็คือเรื่องของสังคมโลกที่จะต้องเป็นไปในวัตฏะที่ยืดยาวนานก็<ม>ให้ยืดยาวนานก็ประเพณีก็ไปอรอภาษีอะไรยังไม่ตายส่วนเราผู้ไม่อยากจะอรอภาษีอะไรยังมีตายเราก็เอากันอย่างนี้แหละไปตามในกลุ่มเฉพาะเรามีคะมีคะบอกบอกคนเ่าบ้านอยากจะไปภาษียังไม่ตยอก พระสนะโคดมคนยังไม่พ้นคุณทาไมไม่เอายังมีอยู่ทําไมคุณไม่เอาคุณไม่เอาท <c oughs> ําไมพระศีญาติไม่ใจถ้าคุณจะได้เกิดไมนะ่น่ะปัจจุบันคุณทำไมไม่เอาแค่พูดถูกเนียมันมันจะวัดถูกเสียทีเดียวก็ไม่ถูกการที่เขารอพระศรีอะไยังไม่ใจอย่างน้อยก็ยังมีความหวัง <c oughs> เทวดา บ, บางเหล่าดีใจว่าเออพระสนะโคดมได้อุบัติขึ้นมาแล้วดีจังเราจะได้ไปฟังเทศพระองค์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไป ร้อยปีแล้วแบบนี้ร้อปีผู้เจ้าประนิพันธ์เลโอ้ยพระองค์รีบด่วนประนิพันธ์จังเลยนึกว่าผู้เจ้าจะอายุยืนนานไงพองค์ด่วนประนิพันธ์จังเลยก็ไม่เป็นไรภระเสียไมตไตจะมาอยู่เนี่ยยังมีความหวังอยู่ไงก็เพอินเพลินกันไปอีกว่าตาก็ยืดไปอีกไปยืด้ายาวนานไปแต่พมันยืดทำไมทำไมไม่เอาปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความหวังสําหรับผุคคลที่อย่างนั้นอ่ะพอไปถึงภรสียไมตไตรก็อีกแหละทีนี้ เออเดี๋ยวพวกนี้คอยไปฟังกันอ to okay. ีกแหละแต่ภาษีแล้วไม่ใสายยืดอายุนานยี่สปีเท่าไหร่ยี่สิบปี่บแปดแปดแปดแปดแปดนปดแปดปดแปดแปดแปดแปดแปีแปดแปดแปดแปดแปดแปดแนดแปดแปดแปดแปดแป่แงดแปดแปดแปดอยู่ยังไงวะอยู่ยังไงเแปดแปดแดแปดแปดแปดแปดแปดแปดแปดแปดแปดแป แต่พอต่างากจะูอยู่จะล้างหาซือเียูพอลมั้งบันนี้หรือไงฮัลโหลไม่มีคาถามอื่นนอกเหนือางนี้มีไหม่เกียเออได้ยินี่ยงกันล้างหาหูฟังนี้ เจริญพรโยมที่ได้ถามมายมเห็นพันรบควรพระอาจารย์กล่าวถึงการพิจารณาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยละเอียดอีกครั้งค่ะ ค, คื อ, อ เ, คเรื่องของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทหากเรามองย้อนไปในครั้งพุทธการนะมองย้อนไปครั้งที่พงทรงสแสดงธรรมกับปัจจวัคคีทั้งห้าการ คำที่พงทรงสแสดงไปแต่ละคำปัญจวัคคีทั้งห้าสะดับตับฟังเมื่อการสะดับตับฟังของปัญจวัคคีผู้ได้เจ้าทรงสแสดงคำตัดชี้ไปตรงไหนปัญจวัคคีทั้งห้าก็ไต่ตองตามคิดตามส่งใจไปตามกิริยาของจิตที่ส่งใจไปตามในคำสแสดงคำของพระองค์เช่นโอมบอกว่า theve m ิก i k a ve anta parbhati tena se v i t a b a ที่สุดแห่งส่วนสองอันบัรพชิตไม่พึงเสด ปัญจพีคือพระอน ญ, ญาคภนัญญาว่ ป, ปากพัติยะมาหานามอัตชิซึ่งฟังอยู่ในเวลานั้นก็กำหนดตามทางแห่งส่วนซองที่ไม่พึงเสพนั่นคืออะไรขณะที่กำหนดตามนั้นปั๊บเนี่ยก็เข้าใจเขาเรียกว่าป ร, ริยัแล้วพระปัญจพีข้อหาก็จะทบทวนอยู่ว่าทำไมถึงไม่ควรเสพก็รู้เลยว่าการทำตัวเองให้ลาบากเปล่า นั้นที่ทํากันอยู่โดยการกดอาหารนั่นแหะไม่ส่งผลถึงการบรรลุจริงคือทบทวนเรียกว่าปริยัติหรือพิจารณาไข่ควรไต่ตองอยู่อย่างนั้นเรียกว่าปริยัติจากนั้นพอเริ่มปริยัติในผลทางสองผลทางว่าการทําตัวเองให้ลาบากเล่าไม่เป็นไปเพื่อความ้นทุกข์แล้วก็การทําตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในกามก็ไม่เป็นไปเพื่อความ้นทุกข์แล้วอะไรคือทาง้นทุกข์เนี่ยแล้วทางทนทุกข์อยู่ที่ไหนโปกก็เลยตัด มัชฌิมปฏิปทานอันเป็นตัวทําดวงตาให้เกิดทําญาณให้เกิดทําวิชาให้เกิดทําความแกมแก้ให้เกิดจากพุกอุาปปัฏฐิญาณอุาปปัิปัญญาอุาปปัิวิชาอุาปปัิอาโลคุอุาปปัิแล้วทางสายการนั้นเป็นยังไงปัญญาวิธีทั้งหก็ปริยัตคือเรียนรู้ตามดวงตาเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดวิชาเกิดยังไงอย่างเงี้ยคําว่าดวงตาคือจักสุจักสุคือ สภาพแห่งการเห็นเห็นอะไรเห็นทางสองทางนี้ว่าไม่ควรเสพเพราะเสพไปก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผลทุกท ก, การปริยัติหรือการทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทางสองทางไม่ควรเสพก็ไม่เสพ จ, จริงๆเว้นจากสองทางนั้นได้จริงๆสลัดออกจากสองทางนั้นได้จริงๆเมื่อสลัดออกในแล้วปั๊บจิตก็ลงสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติพระองค์จึงบอกว่าการที่มีจิตเป็นกลางนี้แหละนะ ที่เราเห็นเนี่ยจากขุนคือเห็นเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสองทางเนี่ยเสพไปก็ไม่พ้นทุกทําไปจนตลอดชีวิตก็ไม่พ้นทุกทําไปเป็นทําแล้วทำอีกก็ไม่พ้นทุกอย่างเนี้ยไม่ถึงความเป็นอัลหันปาฏิบก็จิตก็มารับรู้าารับทราบอยู่เนี่ยคือการปริยัตพอปริยัตปับ๊บครูยอดก็เลยสอนต่อไปอีกว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดผลความพนทุกคื อ, คอมัชชิมาปฏิปทาตัทธาค า, าเตนะ อภิสัมพุทธาทางสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรูุ้แล้วคือดุกขสัจจ์ไงสมุทัยสัจ จ, นจน์นิโรธสัจจ์มรรคสัจจ์เนี่ยคือทางแห่งการปฏิบัติแล้วจะผลทุกได้เป็นมันชฌิมาปฏิปทานมันเป็นสายกลางยังไงคือความจริงคือความววทุกข์พงทรงตัดว่านี้คือทุกข์คือท่าสี่ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวแสดงออกถึงความทุกข์ปยางีห้าเข้าป ร, ริยัตในขณะนั้น ปริยัตในขณะนั้นก็จริงๆก็ปริยัตมาตั้งแต่ ท, ที่สุดแห่งส่วนสองแล้วนั่นแหละนะปริยัตแล้วก็เกิดเป็นปฏิบัติคือปฏิบัติต่อสองทางนั้นโดยการไม่เสพพยายามไม่พึงเสพนะเสพวิตตปางไม่เสพคืออย่าไปอย่าไปทํามันอย่าไปเข้าใกล้มันอย่าไปยึดจับเอามาเป็นหนทางใงการปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วปั๊บก็เป็นการปฏิบัติโดยการไม่เสพคือวางสลัดออกไม่เสพ ก็ผลก็เกิดขึ้นคือจิตก็พร้อมที่จะฟังคำต่อไปประยัดปฏิบัติปฏิเวทคือผลจากนั้นจิตคือผลก็เริ่มเขาเรียก ว, ว่าผู้จะปูปูทางให้กับจิตเนี่ยให้เกิดผลอย่างเนี้ยเพื่อลองรับอริยสัจพระองค์เป็นผู้ฉลาดพองจะให้ประยัดเพื่อเพื่อทำให้จิตเห็นความจริงในข้อปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติอยู่ว่าไม่ใช่หนทางจิตที่ ปริยัติอยู่แล้วและเข้าใจแล้วก็จะถอนออกมาจากมิจฉาทิฐิเพื่อเข้ามาสู่ความเป็นการโดยอัตโนมัติพรมก็ทราบความเป็นการนั้นว่าเป็นจิตที่พร้อมเพียงแล้วต่อการที่จะใส่อริยสัจเข้าไปคือวางอริยสัจให้เขาได้เห็นเห็นความจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไปของทุกนี้คือทางปฏิบัติเรืองความดับทุกผ้าอันยาวกับปริยัตในทุกอันนี้ทุกคืออะไรปริยัติพอปริยัตเรียก ว, ว่าทุกเนี่ยเป็นสัจธรรมจริงทุกคน ที่เกิดขึ้นมามีทุกจริงเป็นความทุกข์ที่มีการทุกข์ท่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คนทั่วไปจะชั้นวรรณะไหนก็ตามแม้แต่ยาจบขอทานแม้แม้แต่ตัวของอัญญาคนอัญญเองก็ตามก็มีทุกข์อยู่ในนั้นทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายอันนี้เป็นสิ่งที่คัดค้านไม่ได้ทุกข์เพราะความไม่ได้ดังใจไหมก็เรียนรู้ไปพอเรียนรู้ไปปั๊บก็เกิดการปฏิบัติในขณะนั้นโดยการรู้ทุกข์นั้นการรู้ทุกข์นั้นคือการปฏิบัติ รู้ว่าความทุกข์นั้นดับไปเพราะหมดเหตุก็คือการปฏิบัติปริยัติคือรู้ที่ถวงทรงชี้ไปนี้คือทุกขสัจจ์นี้คือสมุทัยสัจจ์นี่คือนิโรธสัจจ์นี้คือมรรคสัจจ์นี้คือปริยัติปฏิบัติคือเข้าไปรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงรู้เหตุให้เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงรู้ความดับไปของทุกข์ตามความเป็นจริงและปฏิบัติต่อทุกข์โดยการกำหนดรู้ปฏิบัติต่อสมุทัยโดยการละปฏิบัติต่อนิโรธโดยการเจริญเอิขออภัย ปฏิบัติตอนนิโลดโดยการทําให้แจ้งตรงเนี้คือเป็นปริยัติปฏิบัติไปในตัวแล้วก็เกิดผลผลคือทุกได้กาหนดรู้แล้วสมุทยัยได้ลักแล้วนิโรธได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคได้ทําการปฏิบัติอยู่อย่างนั้นคือได้เจริญขึ้นแล้วพอเจริญขึ้นแล้วปุ๊บจิตเข้าไปทําลายอาสวะอันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำคือสกยติทีวิจิกิจชาศิลาราป ร, ป ร, ป ร, ปรารามาเมื่อทําได้แล้วปุบ๊บ อันนี้ก็เป็นส่วนของวิมุตต์ส่วนของวิมุตต์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิเวทนะเป็นวิมุตตปริยัติปฏิบัติปฏิเวทยังอยู่ในขณะที่ดำเนินจิตอยู่ดำเนินมรรคอยู่นะพอเข้าใจไหมประมาณนี้นะจริงๆถามมาดีมากเลยเพราะคนไม่เข้าใจข้อปฏิบัติหรือว่าความเข้าใจ ในปริยัตปฏิบัติปฏิเทศนี้มากกั น, นมันสะพร้อนสายตาอย่างไรมันไม่เดาแนนด้วยก็ขออนุโมทนาที่ได้ถามมาหากยังไม่เข้าใจหรือคิดว่าการอธิบายยังไม่ละเอียดและไม่สามารถไขข้อ สงสัยในใจได้ก็ให้ถามมาอีกครั้งพร้อมที่จะอธิบายพร้อมที่จะตอบให้หมดแล้วมั้งคืน เครื่องเล็กนี่ต้องหาเครื่องใหญ่อยูอย่นี่ตามันมัว ม, ม, ม, ม, มันพรพาดพ่อว่า อ, วพ อ, พอัญญาโกฏัญญาเข้าใจในเนื้อหาของสัจจานั้นทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแล้วพระอัญญาโกฏัญญาก็ทําลายอสวะได้ในขณะนั้นเลยนะไม่ได้รอขนาดอื่นเลยนะขณะนั้นเลยสําคัญคือเราเราไม่สามารถทําความรู้ให้เป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยในอันเดียวกัน เราไปปริยับแล้วปริยับอีกอย่างงั้นไม่เข้าใจยังไงเพราะฉะนั้นแล้วหากใครไปเรียนเรียนรู้หลักคําสอนมาแล้วไม่สามารถทําความรู้ให้เป็นหนึ่งได้คนนั้นจะเข้าไปถึงการปฏิบัติได้ยากมากเพราะการปฏิบัติจริงนี้มันมันเป็นเรื่องที่ทําในขนาดนั้น่ะขนาดนั้นเลยอาจาร น, นั้นหมายว่าขณะเทพปฏิเวทมันต้องมีภาษสามอย่างพร้อมันเลยสามอย่างพร้อมมัน มันจริงจุดจันทใช่ปฏิเวทใช่ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะอะไรเพราะในกิจสามนั้นน่ะมันเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทในนั้นเลยนะกิจสามในอริยสัจสีนะเมื่อรู้จักทุกเนี่ยคขาเรียกว่าเป็นปริยัตรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้เรียกว่าปฏิบัติทุกได้กําหนดรู้แล้วเป็นปฏิเวทมันอยู่ในนั้นเลยนะไม่ได้แยกไปหนีจากกันเลยนะ เพราะถ้าเราไม่ไปปริยัติไม่ไปเรียนรู้ว่าทุกคืออะไรเราก็เราก็จะปฏิบัติต่อทุกไม่ได้ใช่ไหมเมื่อรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นทุก์ก็คือสัจจญานเป็นปริยัตทุกนี้ปฏิบัติต่อ ต, ตัวทุกนี้โดยการรู้และยอมรับเป็นปฏิบัติเมื่อได้รู้แล้วเป็นปฏิเวทเนี่ย แล้วผลจากการที่ปฏิยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่อย่างนี้บ่อยครัง้งบ่อยครั้งย้ำย้ำซ้ำซำ้มันจะเกิดวิมุติพ้นออกจากการยึดถือโดยความเห็นผิดว่าเป็นตนว่าเป็นเราสกา ย, ายุทธิตัวนี้ก็จะถูกทําลายลงอันนั้นคือวิมุติแล้ววิมุตินี้ไม่เกี่ยวกับปริยัติไม่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่เกี่ยวกับปฏิเวทเป็นส่วนของความพ้นถ้ายังปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ยังไม่ใช่วิมุติยังไม่พ้น เพราวีมุตคือว right ีมุตคือโพสไม่ต้องไปเรียนพวกนี้อีกไม่ต้องไปปริย <Yes. S 1> ัตพวกนี้อีกมีแต่ปริยัตอันต่อไปคือเมื่อรู้กิเลสที่ละได้รู้กิเลสที่เหลืออยู่ก็ไปปริยัตกิเลสที่เหลืออยู่กิเลสที่เหลืออยู่เขาจะรู้เลยว่าการมราคปฏิฆะคือสิ่งที่เหลืออยู่เป็นสังโยคเขาก็จะไปปริยัตในการมราคะปฏิฆะว่าการมราคปฏิฆะคืออะไรดีเนี่ยเหตุให้เกิดการมราคปฏิฆะคืออะไรความดับไปของการมราคปฏิฆะคืออะไร ใช่ไหมล่ะแล้ววิธีปฏิบัติต่อการมมาแล้วครับปฏัศปฏิบัติยังไงพอเข้าใจไหมนันคือก็จะปริยัตปฏิบัติปฏิเพทอยู่อย่างนั้นจนกว่าความรู้แห่งอริยมรรคเนี่ยเต็มรอบก็จะทําลายอีกครั้งที่สองก็พ้นอีนึ่ทีเนี้ยพ้นพอพ้นแล้วปับ๊บก็จะกําหนดรู้กิเลสทพิละได้ในระดับชั้นปานกลางก็จะเหลือว่างอ๋อเหลืออย่างเบาบางก็ปริยัตต่ออีกที่ยปฏิบัติ ต, ต่ อ, อปฏิเพทอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างเนี้ย มากความกำหนเนื้ตรงเนี้เขามองกันไม่ค่อเห็นนะ เ, นเขาคิดว่าเที่อันเรียนปริยัตแล้วต้องไปตั้งค่าปฏิบัติใช่ไหมฮะใช่ต้องไปตั้งค่าครับแล้วมาเข้าใจคาปฏิเวชนี่คือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่การที่พระเจ้าอ่ทรงซักซ้อมภิกษุก่อนที่จะส่งไปอยู่ป่าเนี่ยนะทรงซักซ้อมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าใจเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรียบร้อยนะคือเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าง อย่างเรียบร้อยแล้ ว, ลวนะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วท่านสามถามสามอาการ<ห>แล้วพว์สมไปอยู่ป่าคือไปทําให้มากไปเจริญให้มากนั่นหมายถึงว่าไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้มากไปทําให้มันมากเท่านั้นเองมันจะถึงการบรลรลุเหล่าปนจริงแล้วไปอยู่นเนื้อเดียร์ไม่ใช่ว่าสมไปอยูป่ป่าถึงจะเป็นการปฏิบัติไม่ใช่เดี๋ยวนี้เข้าใจกันอย่างนี้ไงคนเรียนมาแล้วเดียวไปตั้งค่าปฏิบัติละไปทำพิธีกรรมปฏิบัติเลยนะเออพร้อไอ้ตัก้งฆ่ายังไม่เท่าไหร่ ไปทราบพิธีกรรมที่่าอัญเชิญอะไรกรรมฐานนี่มีจริงไม่จริงมันไม่จริงครัพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอัญเชิญวิธีการทำกรรมฐานให้มาตั้งอยู่ในขันธสันดานเราไม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนถ้าอะไรพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปใส่ใจตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนจะดีแค่ไหนก็ตัดทิ้งไปเลยเป็นดีก็ดีนอกศาสนาดีดีนอกหลักคสอนถ้ามันดีนอกหลคําสอนแม้จะเจริญเติบโต ในในสิ่งที่ปฏิบัติก็เป็นการเจริญต่อเติบโตนอกหลักศาสนานอกหลักคาสอนไม่ได้ดีจริงไม่ใช่สัจจจริงเนี่ยนะนนคือคือไอ้ข่าวสองเนื่อตรงนี้ยที่ว่าส่วมากเข้าจะเข้าใจเขาว่าปฏิเวษเนี่ยเป็นผลสูงสุดของการปฏิบัติหนึ่ง น, นะแต่ที่ถ้าการอธิบายมาเนี่ยมันเป็นอยู่ในเนื้องไงใช่ไหมใช่มันแต่ละขั้นแต่ลระดับขึ้นมาแล้วเออเราประหยัครับปฏิบัติ กับนิมมัส ก, การเจ้าค่ะขอถามเรื่องสมาธิเจ้าข้าจะทำจิตให้เข้าถึงสุญญาตาได้ยังไงไม่ต้องไปทําจิตให้เข้าถึงสุญญาตานะสุญญาตาเป็นธรรมชาติที่พิเศษจะเกิดรองรับจิตที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเข้าถึงเองถ้าเราพยายามไปทําจิตให้เข้าถึงสุญญาตานั่นคือเป็นสุญญาตาที่เราสร้างขึ้นหรือปุงแต่งขึ้น สัญญาตาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นจากการกระทําของเราเป็นสุญญตาที่ไม่ใช่ความจริงเป็นสุญญตาที่เกิดจากการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสุญญาตาเป็นธรรมชาติที่จะเกิดรองรับจิตเองอัตโนมัติหากจิตนั้นถูกขัดเกลวเพียงพอแล้วสุญญตาจะเกิดขึ้นมารองรับเองนะเพราะฉะนั้น อ, าอยากจะทําสมาธิโดยมีสุญญตาเป็นอารมณ์จิตนั้นจะต้องเห็นพระนิพพานก่อนถ้าจิตยังไม่เห็นพระนิพพานจะทําให้ เข้าถึงสุญญาตาเป็นอารมณ์โดยอาศัยเป็นเครื่องมือในการทาสมาธิยังไม่ได้ต้องเห็นนิพพานก่อนถามว่าคนเห็นนิพพานเริ่มตั้งแต่ชั้นไหนโสดาบันใช่ไหมตั้งแต่โสดาบันคุณจะเห็นพระนิพพานฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงสุญญาตาต้องเข้าใจในวันด้วยว่าสุญญาตาระดับโสดาบันเป็นอีกแบบหนึ่งสุญญาตาในระดับสกทาคามีเป็นอีกแบบหนึ่งสุญญาตาในระดับอน า, าคามีเป็นอีกแบบหนึ่ง สุญญาตาในดับพออระอรหันต์เป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแต่ก็คือสุญญาตานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นหากเห็นพระนิพพานแล้วปั๊บจิตนวงเหนียวพระนิพพานแล้วนำมากระทําไว้ในใจโดยการตึกนึกอยู่ว่านั่นคือธรรมชาติของปาีสนั่นคือธรรมชาติของสมบนั่นคือธรรมชาติแห่งความพทุกนั่นคือธรรมชาติแห่งความดับตึกนึกอยู่อย่างนี้อยู่เสมอจะสามารถเข้าสมาธิโดยมีสุญญาตาเป็นอารมณ์ได้ ทำได้ใช่เอตังสั้นตังเอตังปณีตังตัวเนี้ยแต่ต้องเห็นนิพานก่อนนะคือพโสดาบันนั่นเองแต่ถ้าถามว่า บ, บุตุชนสามารถเข้าถึงสุญญาตาได้ไหมได้แต่เป็นสุญญาตาในระดับบุตุชนนะคือทําจิตให้ว่างจากอารมณ์อื่นแต่อารมณ์หนึ่งที่ยังมีอยู่ภายในจิตคืออารมณ์ที่ปรากฏกับจิตนั้น อารมณ์ใดก็ตามที่ปรากฏกับจิตนั้นให้เห็นอารมณ์อันนั้นที่ปรากฏกับจิตอยู่ในเวลานั้นมันตั้งอยู่ในตัวของมันอย่างไรแล้วมันดับไปในตัวของมันอย่างไรจิตเราก็จะว่างจากอารมณ์อื่นเหลือแต่อารมณ์เดียวในจิตที่ยังคงอยู่ให้จิตได้เห็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่ให้จิตได้เห็นในอารมณ์เดียวนั้นน่ะแล้วว่างจากอารมณ์อื่นทั้งหมดไม่เข้ามามั่วสุมกันเขาเรียกว่าสุญญตาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สุญญตาที่ประกอบไปด้วยอริยมรร พอเข้าใจไหมคือว่างจากอารมณ์อื่นแต่ยังมีอารมณ์หนึ่งอยู่ในจิตอันนี้คือสุญญาตาแบบหนึ่งที่พงษ์ทรงตัดไปพอพอเข้าใจไหมนี่เช่นพระองค์บอกว่าภิกษุกรรําหนดหมายใจอยู่ว่านี้คือป่านะเราอยู่ในป่าจิตเราก็อาศัยอยู่ในป่าโน้มใจไปในวิเวกในป่าจิตก็จะว่างจากอารมณ์สืที่เป็นบ้าน จากอารมณ์ต่างๆ ท, ที่ที่เกี่ยวข้องจากในบ้านอาการว้างทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าสุญญาตาแต่ที่ไม่ว่างก็คือจิตที่กําหนดหมายว่าเป็นป่าท่านก็มันจะต้องปุงแต่งไหมที่กำหนดว่าก็ต้องปรุงแต่งเพราะอยู่ในส่วนสองของสังขาตะสังขาตะ ต, ต้องปุงต้องปุง <_' S 1> ใช่เป็นสุญญาตาแบบปรุงไ ง, ต ง, งแต่ที่อาตมา ต, ต้องการให้เข้าถึงคือเข้าถึงสุญญาตาแบบไม่ต้องปุงการเข้าถึงสุญญตาแบบไม่ต้องปุงคือมีสุญญาตาขึ้นมารองรับจิตเองนั่นแหะ มันจะเกิดขึ้นจากการขลัดเกาจิตใจของเราให้ทำลายอาสวะให้สิ้นแล้วจะเกิดสุญญตาขึ้นมารองรับอัตโนมัติอันนั้นอะ่ะเราจะเข้าไปเสวยผลไม่เข้าไปเสวยผลเ ป, เป็นเรื่องของเราอีกทีหนึง่งเสวยผลของสุญญตาเนะี่ต่างหากพอเข้าใจไหมคือมันมีหลายระดับมันมีหลายชั้นมีหลายขั้นเรื่องของสุญญตาถ้าอยากจะเข้าใจชัดไปดูใน สุญญตาสูตรมันจะมีสุญญตาสูตรอ่าอ่สุญญต huh. าสูตรกับมหาสุญญตาสูตรมีีสูตรใหญ่สูตรเล็กมรวมกันลอยู่กใกล้กันนันีอยู่ใกกันูเจ้าก็จะพูดถึงสุญญตาเนี่ยจนไปถึงพั้นพันนะไปจนถึงสุญญตาในระดับข้นพันในแต่ละช่องตอนท้ายจะเล่นรกแตตอนท้ายน่าจะเล่มประมาณยี่สิบยี่ห้ายี่สิถึงาประมาณเนี้ยอธิบายอย่างก็ดเลยนะไ้ ก็ขอเจริญพรญาติพีมทุกท่านที่ได้ถามมาดีดีแล้วที่ได้ถามมาจะได้อธิบายสิ่งที่เป็นความข้องใจอยู่หบงสงสัยต้องพี่นาเครื่องใหญ่ว่านี้ น, นั่นหมายตาชักจะไม่ค่อยมีมันมีถามหนึ่งฮะมีถามออกมาตัวไหนบ้างเป็นพันครับ เจริญพรโยมเพียพันถามยังไงการพิจรารณาปริยัติปฏิบัติปฏิเวสไปในขณะเดียวกันก็จะได้สมาธิซึ่งเป็นผลแต่สมาธิระดับใดจิตก็แล้วแตนจิตใช่ไหมครัใช่ถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สมาธิสมาธิเป็นผลอยู่แล้วในตัวร อ, องรับอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นเข้าใจถูกแล้ว อ๋อนี่ไงมอดวิทยาการนมมสการาอาจารย์ครับเวลาทำสมาธิภาวนาพุโทโธแล้วเหมือนกิดตกลงเหียวลึกแล้วคำภาวนาหายไปแล้วเกิดความว่างเหมือนไม่มีตัวตนแล้วต่อไปจะทำยังไงครับต่อไปไม่ต้องทำทําไมถึงไม่ให้ทําหรือจะทําก็ได้แต่ แต่พอเนะยนำในในในในความประสบการณ์หรือทัศนะของพระอาจารย์เองนะน ะ, ะเจริญพรเนี่ยมอดวิทยาเนี่ยนะคือพอแนะนำว่าไม่ต้องทำก็ได้หรือจะทำต่อไปก็ได้แต่สิ่งที่ควรจะกระทำก็คือการพิจารณาขันห้าให้เห็นขันห้าที่เป็นขันห้า โดยการเข้าใจขันห้า 5, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพร้อมกันทั้งห้าขันเมื่อเข้าใจขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แล้วให้พิจารณาบ่อยๆพิจารนาเนืองๆพี่ณาอยู่เป็นประจำพี่ณาจนให้ติดต่อนเนื่องกันไม่ขาดสายจนกว่าจะเกิดกำลังในการละและทำลายความเห็นผิดในการยึดหิ้วขันนะเนี่ยเพราะว่า ทำไมถึงไม่ให้ทํารู้ไหมเพราะจิตที่ตกลงไปเหมือนกับลงไปในเหวลึกเนี่ยคําภวนาอะไรก็หายไปขาดการรับรู้ทางกายหรือขาดการรับรู้อะไรก็ตามเหลือแต่ความว่างไม่มีตัวตนมันทําอะไรไม่ได้หรอกในภาวะอย่างนั้นมันต้องเป็นไปตามอาการที่เป็นมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะความคิดมันก็ไม่มีมันมีแต่การรับรู้อยู่เฉยแล้วเมื่อการรับรู้อยู่เฉยนั้นอ่ะมันรู้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีจิตของการทําเมื่อไม่มีจิตของการทําจิตก็พัฒนาไปไม่ได้ ถ้าทําอยู่เป็นประจําทําอยู่บ่อยๆมันจะเกิดเกิดการสะสมในจิตเกิดการการทําจนเป็นความคุ้นเลือดเสพคุ้นอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางนะทางสายกลางแล้วที่ถูกต้องแล้วก็คือยกจิตขึ้นมาพิจรารณาเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ธาตุสี่คันห้าคือทุกข์เหตุให้เกิดธาตุสี่คันห้าคืออวิชชาความไม่รู้ซึ่งประกอบไปด้วยตัณหาหรือมีตัวตัณหาเป็นตัว แรงแรงยึดจับเป็นตัวหลงเข้าไปยึดจับความดับไปของทุกคือความดับไปของตัณหาหรือความดับไปของอวิชชาเมื่ออวิชชาดับความดับไปของทุกก็จะดับไปเป็นของควรทาให้แจ้งและการปฏิบัตรรบิ ต, ต่อทุกโดยการรู้ปฏิบัติต่อเหตุให้เกิดทุกโดยการละปฏิบัติต่อความดับไปของทุกโดยการทําให้แจ้งอย่างเนี้ยควรกระทําให้มากเจริญให้มากส่วนการทำํำทำสมาธิบริกรรม แล้วตกเหวลึกคําภาวนาหายไปเหลือแต่ความว่างอันนี้ไม่ต้องไปเจริญให้มากนะบางคนก็บอกเอ้าแล้วครูบาอาจารย์ยุคก่อนสอนให้ทําอย่างเนี้ให้มากให้มากก็ต้องขออธิบายว่าครูบาอาจารย์ท่านทํามาอย่างนั้นแล้วนะถ้าเราไปดูประวัติจริงๆเวลาท่านทําเสร็จท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านทําจิตให้ลงสู่สมาธิโดยความสงบอย่างนั้นแล้ว ท่านก็นจะยกจิตคือถอนออกจากสมาธินั้นหรือไม่ถอนก็มันจะถอนขึ้นมาข้างมันพอจิตที่ถอนขึ้นมาหลังจากทําสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยถอนขึ้นมาปั๊กเนี่ยเอาจิตที่ถอนออกมาแล้วนั่นอะ่ะพิจารณาขันต่อนะนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนที่ลงสู่สมาธิแล้วว่างหายไปนั้นอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วในภาวะนั้นพ้นปสัสจรรักความเป็นตัวตนมันว่างอยู่ในตัวข้างมันมันทําอะไรไม่ได้ จนรอกว่ามันจะกลับมาสู่ภาวะ ป, ปกติแล้วพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยภาพจิตปกติแล้วพิจารณาขันแต่โดยส่วนมากคนจะไม่พิจารณาขันต่อนคนจะติดอยู่กับการทำอย่างนั้นอยู่เสมอเสมออย่างเงี้ยพอเข้าใจนะจบมีต่อหมห ม, นะหมดแล้วหมดแล้วได้เวลาอันพอสมควรแก่เวลา ในการอธิบายธรรมเช้าวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญในการรับชมรับฟังและก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทำบุญถวายพระตาหารเช้าตั้งแต่เช้าและก็รับฟังการฟังธรรมขอให้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมพ้นทุกข์เข้าถึงสุขรู้กระแสพระนิพพานในปัจจุบันากาลและอนาคตกาลทุกท่านเถิด